Buddham sariram gaccha. b u d h a m s m a h a m sariram gaccha. m m s a r g h a m sariram gaccha. เขาเคาพูดปฏิบัติอย่างชุ่มชฟูอย่างอย่างนี้ยกในปัจจุบันนี้ได้ท่านไปแล้วเขาเข้าใจกันในทีเลยว่านั่นเขาปฏิบัติตามว่าทำคำสอนของพระเจ้าเนียเรียกว่าปฏิบัติล ใช่ไหมก็คือเขากาลังทําสิทธขาสามให้เดินในชีวิตจริงนั่นเองแปลว่าเวลาปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นบางทีเขาก็เครียดเขาก็ทุกนะแต่เขาก็ไปเฝ้าพระเจ้าดูท่านณักุณปิตาเนะี่ยอุบาสกที่ว่าคุ้นเคยที่ว่าเหมือนกเคยเป็นเคยเป็นพอ่พอพระพระุทธเจ้าตอนเป็นผู้บริสัทธามาก่อนคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้ามาไม่รู้กี่พ่พอกี่เจ้าเนี่ยตนเองเป็นไข่ก็ทกใจมากทั้งทั้งที่เป็นภรรยาบุคคลนี่นะก็ทุกข์ใจมาก นั่นก็ไปเป่าผูาา้เจ้าผู้จ้าก็บอกดูก่อนอุบาสกสังขารเป็นอย่างนี้แล้วเพราะงั้นทําสังขารที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่คือดินน้ําไฟลมอยู่ไหมดินน้ําไฟลมที่ที่บ่าเกิดจากบิดเกิดจากมารดาหนูว่างั้นเกิดจากมารดาและบิดาเนี่ยที่จ ะ, จ ะ, จะเจริญเติบโตด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องมีการนวดการฟันการขัดการสีอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นอย่างนี้แล้วว่างั้นเนยไม่มีเลยสักขณะจิตหนึ่ง ไม่มีเลยแนมะ้แต่เพียงว่าสักวินาทีหนึ่งทีร่ราชกายนี้จะไม่มีโรคก็คือมันเป็นรังของโรคของมันอยู่ในตัวใช่ไหมใช่ไหมจักคูโรโคโซจัโรโคคานาโรคาโรคศีสศาโรโคเป็นตนน้นอย่างนี้ฉะนั้นก็คือรังของโรคพอท่านไปฟังธรรม เ, เสร็จท่านก็ยิ้มแย้มผ่องใสออกมาเห็นไหมว่าบางครั้งการปฏิบัติก็หลุดไม่หลุดแต่หลุดแล้วท่านอยู่ใกล้สัตว์บุรุษใกล้อยู่ใกล้พระเจ้าใช่ไหมท่านก็เข้าเฝ้าพระเจ้าหรือสาวกของพระเจ้าเมื่อฟังธรรมท่านก็กลับมามณสิการนี้ การปฏิบัติมันเป็นแบบนี้ไนงะทีนี้ในในายกในปัจจุบันเนี่ยการปฏิบัติมันหลีกเล่นกันใช่ไหมซึ่งมันขัดกับความเป็นจริงด้วยขัดกับความเป็นจริงก็คือว่าไอ้ไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ถูกนะมันถูกแต่ต้องบอกว่ามันแคบไปคุณไปใช้เวลาปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นปีหนึ่งเนี่ยคุณปฏิบัติเจ็วันเนี่ยมันไหวไหมละสมร้อยหกสิบห้าวันแล้วในสามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ยคุณเข้าห้องกรรมาฐานอาทิตย์หนึ่งบ้างเดือนหนึ่งบ้างแล้วกลับมาก็ามานั่งเครียดทุกวัน นั่งวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ทําศิกขาสามไม่เดินไม่ทำํำทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลให้เดินในชีวิตจริงได้เลยเนี่ยอันนั้นมันเป็นความไม่เข้าใจของคุณต้องบอกเขาอย่างงั้นคุณไม่เข้าใจตัางหากว่าศิกขาสามมันคืออะไรใช่ไหมเมื่อไม่เข้าใจศิกขาสามไม่เข้าใจศีลขันธ์อันเบสริสมาธิขันธ์อันเสริฐปัญญาขันธ์อันเสร์คุณก็ไม่น้อมเข้ามาสู่กระแสของนมามะธรรมใช่ไหม คุณต้องยิ่งยิ่งหนักไปใหญ่คุณไม่รู้เลยท่าไใบว่าสีมันเป็นเจตสิกธรรมดวงไหนบ้างคุณก็ไม่รู้แล้วปัสมาทิเป็นเจตสิกธรําดวงไหนบ้างจะต้องมีบริข า, มารมีบริวาลเท่าไหร่คุณก็ไม่ทราบอีกปัญญาขันที่เกิดขึ้นมาจะต้องอาศัยบริขารบริวารเท่าไหร่แล้วก็จะต้องไปไขควณอารมณ์อะไรเขาก็ไม่ทราบใช่ไหมเมื่อไม่ทราบเขาเลยคิดว่านั่นแหละไปนะที่ห้องใดห้องหนึ่งนั่นแหละถ้าไปอยู่ในห้องนั้นเนี่ยมันเหมือนว่า เข้าห้องนั้นแล้วประเภทดิศน์สมาธิปัญญามันจะวิ่งเข้าสู่ใจของเขาได้เลยเนี่ยซึ่งโดยข้อเท็จจริงมันไม่ใช่มันจะต้องเกิดการมานัิกานไข้ควรแล้วมีความเห็นที่ถูกต้องด้วยอยู่ไหมถ้าเราเห็นไม่ถูกต้องอะไปนั่งคนเดียวอันตรายไหมคุณหมอว่าอันตรายไหมอันตรายดีตัวมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมามิจฉาสังกปะมันก็เดินแล้วเนี้ยมิจฉาวายจาวมิจฉากำบรรตามิจฉาอาชีวามิจฉาวายามามิจฉาสติมิจฉาสมาธิก็จะตามมาเยอะแยะหมดถึงบอกว่า ถ้าเขาชวนเราเราต้องขอคุณเลยนะบอกโอ้เนี่ยอาตมานี่เนี่ยไม่ใช่แต่ไม่ใช่เย เ, เป็นประเด็นแต่คุณหมออาตมาเนี่ยพาะที่เป็นรุ่นเดียวกันเป็นรุ่นลูกศิษย์เป็นอะไรก็มาโอท่านอาจารย์ไปปฏิบัติกับผมสักทีทเถอะแล้วชวนมาไม่รู้เท่าไหร่มีอยู่ครัง้งหนึ่งใช่ไหมอาตมาก็บอกอ่ะเดี๋ยวขัดไม่ได้เดีย๋ยวหาว่าเราเนี่ไม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยใช่ไหมบอกอ่ะก็ไปบอ ก, อกไปเขาก็ดีใจหน่อยก็ถวายกุฏิให้เลยนะ บอกในกุฏิที่ยอมถวายเขาใหม่ถวายต้อนรับอาจารย์เขาบอกนะอรมาก็อยู่โยก็อกอ้อาวที่คุณบอกว่าปฏิบัติฮะผมจะมาเป็นลูกศิษย์แล้วอันนี้ผมพูดจริงๆนะแต่ท่านต้องสอนผมนะแต่ถ้าผมสงสัยท่านต้องตอบผมนะใช่ไหมเพราะเขา อ, อกอามาอธิบายก็ฟังอธิบายวันหนึ่งวันที่หนึ่งก็แล้ววันที่สองก็แล้วธรมาก็ฟังก็มาใขรคนบอกอ้าไหนที่มีเทพของครูบาอาจาจรยะอามาที่อ้าฟัง นั่งฟังจะฟังมันเข้าใจเพราฟังเบสเสร็ววะอ้าวพอผ่านไปสามสี่วันเอาคุณมานั่งเอาถามถามหน่อยนี่อาจารย์ว่างนี่มั้งว่างเพราะว่าจะมาจำได้นี่ยนี่มาเขถามไปตามลําดับเออว่างถามนี่ว่างเลยเข้านะ่ยข้าก็ตอบให้คําตอบเราไม่ได้อะไม่ใช่ว่านี่ผมไม่ได้ซักนะครับตามธรรมดาการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องโปร่งมันต้องโล่งมันต้องเข้าใจก่อนถ้ามันไม่เข้าใจมันก็เดินสิกขาสามไม่ได้ยังไงนันก็บอกว่าเออ ชักแปลกๆเทแล้วก็บอกหน่าเข้ากรณีไหมเริ่มงไหมเมื่อวันก่อนโทรมาท่านอาจารย์ช่วยหาเทปผมฟังหน่อยได้ไหมนี่เจ้าสํานักนหมเนี่ยเจ้าสํานักปฏิบัติเป็นเจ้าสํานักชักเริ่มแล้วจะมีเริ่มมาเอาเทปไปฟังมันมีอยู่เรื่องนี่ก็ก็มีอยู่วันห น, น, น, นึ่งก็นิมนต์นิมนต์อาจอาตมาเนี่ยเขาเขาเป็นลูกศรษฐีไหมเขาเป็นเจ้าสํานักเขาเป็นลูกเศรษฐีอาตมากนั่งนั่งอาตมาเงเหยียบเหยียนิมนต์อาจารย์เทปเลย โอไม่ได้แล้วอาจารย์นานๆหลายสิบปีแล้วไม่เคยมาหากีนม่บนอาจารย์บัญญางั้นรรผมบัรยายตามพระไตรปิฎกนะอ้าวดีแล้วฝ่ายอาจารย์ก็งั้นก็ปัญญยายเลยทามาก็ถามโยมที่มากันอย่างนี้เคยเข้าห้องกรรมฐ า, ามนกันตั้งนะทามาโยมเนี่ยถามว่าเอ่ยโยมเคยให้ทานไหมบอกเคยยังไหมรักษาศีลยังไงก็ถามไปตามแบบเนี่ยเออทานนักบุศรเนี่ยถามว่าเออถามเออ ที่เคยให้ทานมาทั้งหมดเนี่ยลองหลับตานั่งนึกพอจะจําได้ไหมจําได้ไหมก็บอกจาได้เอามาเอามาจเจริญเป็นกรรมฐานได้ไหมมันเป็นอดีตนะท่านอาจารย์เข้ามาฐานต้องอยู่กับปัจจุบันเอาลเราตัวนี้้เข้าใจไหมตัวเนี้ยกรรมฐ า, านต้องมีปัจจุบันอารมณ์เขาบอกงั้นแล้วก็นี่ไงก็ว่ากงั้นอ้าวเอาไปดูอนุสติสิบหน่อยสิไล่ได้ไหมเอาไปดูในอังคุตตะรานิกายเอก็นิบาหน่อยอไล่มา ลาพอ่าไปไปดูอะไรใช่ไหม เ, เจริญจาคานุสติ เ, เจริญยังไงไอ้จาคารนุสติทำปั๊บไปลึกปับป๊บทำปั๊บไปลึกปั๊บให้เป็นเชี่ยวเวินใครทําได้บ้างเอา้ายกมือขึ้นมันทําไม่ได้หรอกไม่ไดเราลมอดีดเั่านั้นเลยยังใช่ไหมผู้การว่าไมไอ้จาคารนุสติจะมาลึกไงเป็นปัจจุบันลึกไงก็ต้องมาเอาอาดีดนั่นแหละมาละลึกไงอดีตที่ทําแล้วละจาคานุสก็มาละลึกใครควรยังไงก็ว่าไป ศีลมาระลึกยังไงก็ไล่ไปตามลำดับก้อนนี่ยนี่เขาบรรลุ ก, กันได้อย่างเนี้ยเขาบรรลุ ก, กันได้ก็ไล่ไปตามลําดับว่าเมื่อเจริญจาคานุสติมาแล้วเนี่ยเมื่อระลึกเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยพอพิจารณาดูแล้วโอทานของเราบริสุทธิ์หมอเห้นไหมโอคุศสรทานนี่บริสุทธิ์เจตนาทานอะโลพาทานเจตสิกทานเห่นไหม ไปเจตนาทานก็คือเจตนาในการสลับในการให้ก่อนให้ขณะให้หลังให้ไม่เป็นเจตนาเจตนามันเกิดร่วมกับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารและขันธ์วิญญาณนะครันามธรรมที่มันเกิดขึ้นนะมันอาศัยหัตถยาวตถุกเกิดนะเป็นมโนทวารลวิถีนะในขณะที่น้อมบริจาคนะนะั้นน่ะไม่ใช่แต่บริจาคเฉ่เพเื่อจะนามธรรมสละบริจาคแม้แต่รูปธรรมก็มีการน้อมไปด้วยในการบริจาคในครั้งนั้นใช่ไม่ใช่ หลังจากระลึกโดยความเป็นอุปจารลสมาธิเป็นต้นแล้วก็น้อมลงสู่ละไน้อมลงสู่พิจารณาเลยไหมพิจารณาถึงนามธรรมรูปธรรมอย่ไหมในการไข่้อควรด้วยการพิจารณาเนี่ยเจตนาก็ดีกลุ่มนามธรรมทั้งหลายนั้นเป็นกลุ่มของนามธรรมแล้วรูปธรรมมีการน้อมวัตถุไอวัตถุที่เราสละเราบริจาคกันนั่นน่ยโดยสรุปแล้วเราจะเป็นอาหารก็ได้เป็นวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นเป็นสบงเป็นจีวรเป็นกุฏิวิหารอิฐหินดินทรายอะไรก็แล้วแต่ สรุปแล้วก็คือมหาภูธาลูปเพ่ยงแคก็คือดินน้ําไปลมสีขิงรสโอชาธาต์ก็คืออวินิโพก็รูปแปดถามว่าถ้าเราพิจารณาอย่างนี้บอกว่าเออนะรูปธรรมที่เราสมมุติกันว่าเป็นเสื้อผ้าเป็นภาพผ่อนท่อนสบายทั้งหลายเนี่ยนะเป็นวัตถุทานทั้งหลายสรุปก็คือเราบริจาคอะไรบริจาคมหาภูนี่นามธรรมที่น้อมบริจาคไปนั่นเป็นกลุ่มของนามธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณรูปธรรมมีการยก การนอบน้อมการบูชาคุณของพระผู้เฮียร์พระเจ้าถามว่าเราถวายเดี๋สงเนี่ยในเจตุรทิศอย่างโยมเนี่ยถวายกุฏิวิหารน้อมถวายเดียบุคคลหรือถวายสงก็บถวายสงน้อมถวายสง์ที่มาจากเจตุรทิศใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรบอกเป็นสังฆท า, านเป็นสังฆท า, านน้อมเพื่อว่าวิหารอันนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของภิกษุขนะของผู้ประพฤติปฏิบัติ ผู้ทรงพระทัยปีดอกบางทีก็ทรงหนึ่งนิกายสองนิกา ย, ส, กา ย, ส, กายสาม ส, ามสี่นิกายหรือห้านิกายเพื่อเป็นพระหูหสูตรท่านทรงทำทรงวินยัยท่านมาไข่ควรมาพิจารณาท่านเอาพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้ามาสาธยายมาตรึกมาไข่ควรท่านได้บรรลุหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่มันมีอ น, นิสงส์เยอะเราถวายเดี๋ผู้มีศีลอย่างนั้นใจเราน้องไปในลักษณะนั้นในขณะที่เราคิดอย่างนี้เกิดปาโมดปีติปสัสสติความสุขไม่กอเกิดนั่นไง ไอปราโมดก็ดีปีติก็ดีปัสสติก็ดีอันนี้เป็นกลุ่มในกลุ่มสังขาระขันสังขารก็ละขันกลุ่มปลาโมดปีติปัสสติเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าไม่มีเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันและก็วิญญาณขันหรือถ้าไม่มีหาทยาวัตถุซึ่งเป็นอุปาทัยรูปซึ่งอาศัยมหาพุทโธมหาพุทโธที่เกิดจากกรรมก็ต้องมีอาศัยมหาพุทโธที่เกิดจากจิตอุตุและหาน ร, รวมกันเป็นเรียกว่าธาตุสีันห้าแล้วนี่แหละ ใช่ไหมก็สรุปแล้วก็คือเราก็เริ่มจะเห็นในความเป็นรูปเป็นนามได้แล้วอันนั้นอาศัยขันในอดีตใช่ไหมอาศัยขันในอดีตที่มีการน้อมสละน้อมบริจาคมาใช่ไหมในส่วนจริงก็ใคร้ควรลงสู่จากสมถะกรรมฐานสลับเป็นวิปัสนากรรมฐานเป็นต้นได้แต่กุศลศีลคุณต้องดีใช่ไหมคุณที่จะมาขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นได้ถามว่ายอมแล้วอย่างนี้เป็นอดีตแล้วทาไมคุณรังเกียจอดีตจันใช่ไหมไปรังเกียจทําไมออาหารของปัญญาอาหารของสติ อาหารของวิริยะอาหารของศรัท ธ, ธาทั้งนั้นไข้ ค, รควรไปเถอะอันจะเป็นอดีตเป็นอนาคตรหรือเป็นปัจจุบันขอให้ไข้ ค, รควรไปเถอะ่อใหเป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดพระอัถธธรรมะหรือแทงตลอดสัจจะเน่ยใช้ได้ทั้งนั้นเลยถ้าัวไปกรรนนังวลอย่างนี้มันจะเป็นอันวิปัสนาอึดอัดมากไปใช่ไหมอึดอัดแล้วไม่พอแล้วมันคับแคบลงคับแคบลงเนี่ยมันมันมันจะจะลําบากแล้วมันก็ขัดในกคมพีเยอะแยะแล้วคุณก็ให้คำตอ บ, บไม่ได้ ก็ให้คําคตอบเขไม่ได้ก็อีลงโยงเชิงไว้บอกอุย้ยไม่ได้นักปริยัติใช่ไหมบอกปริยัติอีอย่างปฏิบัติอีกอย่างเอามาปนกันไม่ได้ก็เลยไปยุ่งกันใหญ่แต่ น, นี้ก็เลยบอกว่ายุ่งเนี่ยนั่นก็เลยตอนนี้ก็เลยอึดอัดกันแต่ น, นี้บาคนจะพูดความจริงก็งไม่กล้าก็กลัวจะโดนตำหนิบ้างเลยที่บอกว่าอาจามาก็าพูดถือเป็นอาจารย์ก็คงไม่โกรธมั่งก็หันถามนะท่านบอกไม่โกรธแล้ ว, ลวา อ, อาจารย์ก็เลยบอกว่านี่ไงอย่างที่มรอาจารย์มาดีนะได้เรื่องเลยตอนี้ <ś les> <ś les> ตายเลยเดี๋ยวเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยบางทีก็ก็ไปก็ดีนะที่คุณหมอตามปัญหาคุณหมอเข้าใจมนะ้ยัง ค, คือจะอออ ม, มีหลายหลายรูปแบบครับอบางคนไปปฏิบัติในปาค่อนถ้าิสูจน์เนืาแล้วก็ แล้วก็ผมว่าจะก็คงจะไม่ทราบว่าได้ความรู้อะไรขึ้นก็มีความหวางดีที่จะม า, าได้รับฟังแล้วก็บอกว่าเราต้อ ง, งไปแล้วก็มีลูกใหญถึงอย่างอื่นเยอะเลครับก็ก็ก็ถือว่าเป็นความเจริญของาศาสะนาะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะอย่างเงี้ยเป็นยุบต่อสู้กันเงี้ยดีใช่ไม่ใช่ต่อไปพุทธศาสนาะจะกลับมาเจริญก็เป็นแบบนี้ ไม่ใช่ต่อสู้นะเป็นการหาเหตุผลีใช่ไหมถ้าเหตุผลนั้นดีเราก็ต้องยอมใช่ไหมว่า โ, โอ้เหตุผลชัดแล้วตรงไปตามไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ก็ไม่ดองจํากัดให้เป็นเรื่องดีๆอาตมา ก, ก็ฟังโอ้ชื่นใจเห็นโอ้โหเห็นเข้อกิริยจังใช่ไหมบอกโอ้ดีอาตมาบอกดีใช่ไหมอาตมาก็บอกโอ้ยังไม่พอยังไม่พอเพิ่มตรงนี้ดีไหมเบอกทีนะี้ตรงนี้ควรเพิ่มตรงนี้อีกนิดดีไหมเขาก็บอกเออ อย่าเพิ่มครบได้ไหมก็ตรงนี้ม่เขายัางไม่ค่ยย อ, อมเขาเอ๊เพิ่มอีกเส้นหน่อยน่าจะดีนะที่คุณทํามาในดีอยู่แล้วใช่ไหมเออขอให้เพิ่มหน่อยตรงเนี้ยเหมือนกับกรณีที่เขาบอกว่าเออเนี่ยเวลาเขาพิจารณาว่าเป็นประมาทยอย่างเดียวอะไรต่างอธิม า, าใส่บัญญัติสักหน่อยไม่ดีหรือใช่ไหมบอกเอาสมุหหาบัญญัติจะถามว่ารูปเวตน า, าสัญญาสังขารวิญญาณเป็นบัญญัติไหมเขาไม่ใช่อ๋อไม่บัญญัติได้ไงวิชมานะบัญญัติไปดูดิ บัญญัติที่มีสภาวะรับรองไงใช่บัญญัติใช่ไหมถามอย่าไปรังเกียนบัญญัติดีไหมเขาบอกแต่พูดเบาๆแล้อว่าลองครผลก็มาใช่ไหมว่าจริงๆเงินถามว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยนะพอเจริญไปเจริญไปมันเลยไปรู้น้อยลงน้อยลงมันเลยกลายรู้น้อยลงตัววิปัสสนาญาณเนี่ยเลยกลายเป็นรู้น้อยลง ลองไปสรุปในคําสอนของพระพุทธเจ้าดูนะเริ่มตั้งแต่สูตรแรกที่พระสังขีติกาจารย์นั่งสังขยานาเลยนะเริ่มตั้งแต่ในพมพมชาราสูตรเนี่ยต้องไปไข ค, ควงดูตามลําดับเพอไปสูตรที่สองสามมายะผลสูตรต้องไปดูตามลําดับไล่ไปเลยวิธีการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนะี่ยระดับปัญญาขันนี่พระเจ้าแสดงมากเริ่มตั้งแต่ไหนไหมถ้าหากจุลศีลมาชิมาศีลมหาศีลนี่เป็นศีลขันอันเอร์เซอร์ใช่ไหม แล้วก็อินเดียสังวรเป็นต้นเหล่าเนี้บางแห่งท่านก็จัดเป็นศีลขันธ์บางแห่งก็จัดเข้าไปในสมาธิขันธ์เอาจะจัดลงศีลหรือสมาธิก็ไแล้วแต่ไม่ไม่ไม่ผิดแล้วก็ไปไปสันโดษแล้วก็สติสัมปชาัญญะนฐานะเจตอันนี้ยังอยู่ในขั้นของของอยู่ในระดับต้นๆ้ น, นแล้วก็บาาัตโธมัชฌานทุติยฌานตัทธิฌานเจตตุทะฌานแล้วก็รูกฌานตรงนี้อยู่ในสมาธิขันธ์อันปเสริฐก็มากใช่ไหมสมาธิเยอะแต่ต่อไปเป็นเรื่องของปัญญาขันธ์อะไรแเนี้ยวิปัสสนาญาณก็เป็นเรื่อง ปัญญาขันอิทธิวิทะก็เป็นเรื่องของปัญญาขันแล้วก็มโนมยิยธิก็เป็นเรื่องของปัญญาขันเจโตปริยญาณก็เป็นเรื่องของปัญญาขันทิพโสตาญาณก็เป็นเรื่องของปัญญาขันแล้วก็ปุเพนิวาสานุสติญาณที่ญาณที่เป็นไปกับสติที่ทะลึกชาติทนหลังได้ก็เป็นเรื่องของปัญญาขัน จูตูปปาตยานก็เป็นเรื่องของปัญญาขันอาสวรรยญาณก็เป็นเรื่องของปัญญาขันสรุปแล้วปัญญาขันเป็นแถวไวหมดใช่ไหมถามว่าในพระศาสนาเนี่ยการเจริญอิทธิฤทธิ์หรือทําอิทธิวิทาเป็นต้นเนี่ยท่านจะต้องเจริญวิปัสสนาอย่างอย่างแก่กล้าเลยเพราะอะไรรู้ไหมการไปทําอิทธิวิทาคือการแสดงฤทธิ์ได้การที่จะถอดกาย ก, กายหนึ่งออกไปเป็นร้อยร้อยกายเป็นพันพั น, พนกายเนี่ย ถามว่าท่านวิปัสสนาไม่ดีเนี่ยอัตตาเต็มไปหมดนะอย่าลืมนะจะเห็นด้วยความเป็นอัตตาเห็นด้วยความเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าเราเห็นว่าของเราแค่เห็นขันขันเดียวก็ยุ่งอยู่แล้วใช่ไหมสกฤติทิฐิถ้าลองถอดกายออกมาสักร้อยกายขึ้นมาให้เต็มวัดขึ้นมาเนี่ยอัตตาไม่เต็มไปอีก น, นั่นก็เรานี่ก็เรานี่ก็เราอัตตาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมท่านท่านระวังมากแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่ากรณีที่มีทิพสจขูหรือทิพสโสตาเนี่ยมีตาทิพย์เนี่ย ถ้าไปดูอใบยภูมิถ้าวิปัสสนาญาณไม่ดีจะเห็นเป็นอะไรมันก็จะเห็นเป็นสัตว์เห็นเป็นบุคคลนี่ไหมแล้วเกิดความกลัวไหมแต่ถ้าเขาเห็นเป็นนามรูปใช่ไหมเห็นด้วยความเป็นปฏิจจสมุปบาทเห็นกระแสขันที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอ่ะให้สังเกตดูนั้นในปปกเพรนิวาสานุตยานะพวกนั้นไม่ว่าสูตรไหนแล้วถ้าจากเบื้องต้นที่จะทำเนะ่ท่านจะให้ใครควรปฏิจจสมุปบาทย่างช่ำชองเลย อันสงสารสงสัยนะก่อนที่จะทําจุตัเอ่อทำเทประจักกุยานก็ดีทําปุเพนิวาสานุสิ ย, ยานเนี่ยคือจะต้องพิจารณาสติ ป, ปติเ อ, อปฏิจารุบานติแบบทั้งอนุโลมและปฏิโลเนี่ยอย่างเข้าคล่องแล้วก็จะต้องเอาฐานของปฏิจสมุบาที่แหละที่เรียนน้องไปในการที่จะระลึกถ้าไม่มีฐานของปฏิจสมุบาทท่านก็บอกเดลถีเดลถีระลึกได้อย่างมากสี่สิบกลับ แต่อุปมาเหมือนกับบุรุษตาบอดที่ละไม้ละล ะ, ละไม้ไม่ได้ก็แปลว่าอะไรเดียร์ีิยิ่งระลึกมากยิ่งยิ่งเป็นวิฉาทิฐิเพราะไม่มีฐานของวิปัสสนาญาณเนี่ฉะนั้นถ้าไม่มีฐานของวิปัสสนาญาณเนี่เห็นผิดหมดถ้าถามว่าคนที่เขาเห็นว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดเขาเห็นจากอะไรเขาเห็นจากการทําปฏิภาคคนิมิต ไอปฏิภาคคณิมิต ท, ที่มีจากจตุทัาชฌานเป็นต้นเนี่ยเป็นฐานแล้วก็มีปฏิภาคคณิมิตอย่างเช่นเอาดินเนาะมะพิจารณาเอามะเพ่งมะเพ่งดินนั้นเบ็ดเสร็จแล้วต่อมาก็ขยายพอได้ดินนั้นมาเป็นปฏิภาคคณิมิตมาเป็นความใสที่ไม่ใช่ดินจริงๆแล้วนี่นี่ต่อมาเขาก็มาขยายขยายปฏิภาคคณิมิตนั้นให้ใหญ่ใหญ่ขึ้นทีนี้กําลังของสมาธิแค่ไหนก็สามารถขยายปฏิภาคคณมิตได้แค่นั้น บางคนขยายได้อย่างกว้างขวางเพราะขยายอย่างกว้างขวางเขาก็เลยมองสามารถขยายได้ในคือสุดโลกได้ว่างั้นเถอะเขาก็เลยมองอ๋อโลกนี้มีที่สุดแล้วก็บัญญักาว่าอัตตาเป็นมีที่สุดเห็นไหมเห็นมาจากความเห็นผิดในไหมจ๊ะว่าการทําอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายที่ไม่มีฐานของวิปัสสนาเห็นดินเป็นอัตตาเห็นดินเป็นเราในมูลปริยาญสูตรในมัชฌิมานิกายมูลปัญญาได้เลียนสืบสืบเจดทั้งไปดไูกลุ่มที่ว่า อารมณปะปฐวีทั้งหลายเห็นเห็นอัตตาเป็นตัวนตนเห็นดินเป็นต้นเห็นตนเป็นดินเป็นต้นเหรอเนี่ยบางคนก็ไปสําคัญผิดในรักขณะปฐวีเห็นไหมบางคนก็ไปเข้าใจผิดสําคัญผิดในอารมณปะปฐวีบางคนก็ไปเข้าใจผิดในศาสตร์สัมภาระปฐวีบางคนก็ไปเข้าใจผิดในสมๆๆนสมุติปทวีเห็นไหมก็เพราะว่าไม่รอบรู้ดินนี่แหละไม่ทําปริญญาดินทั้งที่ดินที่เป็นสมมุติก็ไม่ได้ทําปริญญา ดินที่เป็นสัตสัมภาระก็ไม่ได้ทําปริญญาดินที่เป็นอารมณ์นภัทวีที่เอามาเป็นอารมณ์ในการเพ่งปสินก็ไม่ไดเอามาทําปริญญาดินที่เป็นลักษณะก็คือมีลักษณะแข็งและอ่อนก็ไม่ไดเอามาทําปริญญานี่แหละมันเลยเกิดโมหะยังไม่เกิดอวิชชาหลงในดินนะั้ใช่ไหมชอมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเวลาพุทธเจ้าสอนเยพระเจ้าจะไม่สอนโดยการไม่ให้ใครควรไม่พิจารณาเราท่านจะให้ทําปริญญาให้รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ เพื่อจะได้ไม่ติดข้องและในที่สุดจริงๆอย่าลืมนะว่าถ้าโลกียะปฏิเวทยาเนี่ยเขาก็แทงตลอดในในอารมณ์เหล่านี้แล้วก็ปิดความงมงายในอารมณ์เหล่านี้ได้โดยจะทังข้าประหารให้สังเกตไปดูในหลักฐานอย่ถ้าหากว่าสามารถแทงตลอดอริยสัตว์นะหมายความว่าทําโลกุตระปฏิเวทยานี้เกิดขึ้นก็บอกว่าสามารถที่จะไม่หลงไม่งม ง, งายในธรรมะในอัตถะและในบรรัญญัติ ว่าตัดความหลงเนี่ยนะตัดความหลงตัดความมัวเมาเนี่ยในธรรมะธรรมะคือทำคือเหตคือปจัจจัยอะอัตตะก็คือผลคือปัิยุบันแล้วก็ในบัญญัติได้อย่างเด็ดขาดด้วยมักคยานในมันถามว่าถ้าถ้าสมมติว่าบัญญตัติไม่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแล้ว มัคจิตจะเป็นละความหลงในบัญญัติทําไมละทําไมถามว่าเรารักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักลูกรักสามีรักภรรยารักเพื่อนรักประชาชนเนือรักตึกรักบริษัทนี่บัญญัติไหมนี่เราบัญญัติจริงๆมีจริงไม่ตึกหนี่งจริงก็คือดินน้าไฟลมแต่มาบัญญัติกันลักษณะนี้เรียกว่าตึกเนะ ก็มาบัญยัติว่าดินน้ำไฟลมประชุมกันลักษณะแบบนี้เป็นสมูหะมีรวมกันนี้อันนี้เรียกว่าเกาอีก็คือบัญญัติเนี่ยก็คือบัญญตัติสัตว์โลกที่หลงก็เพราะว่าหลงเราเข้าใจผิดนี่แหละวิปัสสนาญาณก็แบบเพิ่ใช่ไหมเที่ยวก่าเพิกบัญยัติการเพิกบัญญตัติต้องเอาบัญญัตินมาไขขวนไม่ใช่ใคคไม่ใไขขวนไม่ไขควนบัญญัติจะไม่พิจารณาตรวจสอบให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมแล้วไม่ใช่อยู่แค่นั้นแม้แต่ปรมาตา์เองเนี่แหละ ทำที่เป็นรูปธรรมและนามทาทำเองก็เป็นที่ตั้งของโลภะโทสาโมหาได้แม้แต่บัญญัติทั้งหลายเสื้อผ้าก็ดีสิ่งของก็ดีข้าวก็ดีสิ่งของต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนจะเป็นที่ตั้งของราคะโทสาโมหาเป็นต้นได้ฉะนนั้นท่านต้องรอบรู้ใช่ไหมต้องเอามาวิจัยก็เหมือนเราศึกษาทางโลกเนี่ยถ้าไปศึกษา น, น้อยๆจะไปไปรู้เรื่องอะไรไหม สมมติโอจบจบด็อกเตอร์มาบมบมกเจ้าเนี่ยอ่านกระดาษแผ่นเดียวแล้วจบเชื่อถือไหมหมอเนี่ยผมวิจัยกระดาษแผ่นเดียวมาผมจบผมเป็นด็อกเตอร์มาคุณหมอว่าไงทางนี้นะบอกว่าอยากจะเป็นหมอไม่เรียนทฤษฎีบอกว่าจะจะผ่าตัดยอมไหมยอมให้เขาตัดอะไรบอกว่าเนี่ยผมปฏิบัติเองเห็นเองเลยแต่ผมไม่เคยเรียนทฤษฎีหลวงจะผ่าตัดไห้หมอไวใจไหม ไม่เอาเลยจะบอกกันรู้มันจะตัดผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ขนาดหมอเรียนมายัางตัดผิดอัลมานี่เจอมาแล้วให้เรียนมาแล้วตัดผิดเนี่ยพอไปเรียนมาเนี่ยโอ้โหไปตดัดหมออัลมาก็ถามหมอที่หมอถามจริงนะไอที่ไปตัดออกมาเนี่ยแล้วมันมีอย่างที่ว่าไม่มีแร้วตัดไปซะแล้วอมาบ แล้วพระคุณเจ้าเสียใจบอกแล้วหมอเสียใจเสียใจเขาคงจะเหมือนกันแล้วไม่ถามแด้ว่เสียใจก็บอกว่าเหมือนแต่เออบเอออาตมาทาปริญญาพอสมควรเคยถามปริญญาแบบนี้พิจารณาแล้วไม่ใช่ของอาตมาก็ั้งนั้เนไปตัดผิดริญญาาเ เาด้นอะไรโลอ๋อยังไม่มีที่โล่ที่ทได้อ๋ออ๋อจริงๆแล้วมันซับไม่หมดผลปรากฏเนี่ยซับไม่หมดหรอกที่ี้เท้านึ่ทฤษฎีนี่ใช้ไม่ได้พอร้อยวันไปเปิดมาแล้วก็โอ้มันเน่าหมดเลย ที่พอเน่ามายุ่งแล้วแต่นี้เขาบอกพรุ่งนี้เช้าเขาจะทำบุญกระดูกแล้วมันยุ่งแล้วไม่มีใครจับแล้วทําไงดีนมันไม่แห้งแล้วเปียกแล้วเน่าแล้วเหม็นแล้วก็ไปไปมามาก็พระเนียนก็หนีกันแทบจะทั้งวัดเลยเหมือนเห <c oughs> ลืออยู่สามองค์มันมาหนีได้ไงกูติดอยู่ติดกันเลยก็เลยเเขาบอกว่าที่ทแรก ทำไงดีก็ต้องต้มน้ำใช่ไหมต้มน้ำเบ็เสร็จก็ต้องเอาเนี้อเอาศพอมไปแต่ว่ามันก็ไม่ทํางั้นรูดไม่ไหวรูดมันไม่ออกก็ต้องไปต้มแล้วให้พระท่านเอารูดชิ้นนรูดออกทีละชิ้นเรูดออกจเจ้ากระดูกนะี่โอ้โหเหมือนอบอวนที่วัดสามสิบไร่เหม็นหมดเลยมาแล้ว ก็ประมาณสองพันหร้อยี่สิบปดยิบก้าตอนนี้ยุคนั้นก็ไปทํากันอย่างนั้นเลยไม่รู้จะทํำยังไงเลยก็เก็บไว้ทั้งร้อยวันแล้วก็ไม่รู้จะทำํำมันมันก็หมดไปเยอะนะก็ไม่รู้จะทํำยังไงถ้าจะเผาก็ไม่รู้จะเผายังไงเป็นชิ้นๆตรงก็มีอะไรองนี้ก็เลยรุ่นรุ่นกันแต่หมดโอ้โหวันหนึ่งยังล้างไม่หมดเลย <St> บอกโอ้ ใหดมช้างเน่านี่มีความสุขกว่าเยอะสอบนี่เหม็นจริงโอ้สอบนี่เหม็นมากกว่าสเหมนเหม็นสอบดีเออวุ้เนียโหอเ็กันยนั่นแหละว้สกว่าว่าเอแถวเนี้ยอืมแต่ว่า ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ก็เป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นมากใช่ไหมขันขันนี้เป็นที่ยึดตั้งมั่นถือมั่นบงทีใครก็แอบยึดขันเราบางคนก็หวังพึ่งขันเราเชื่อมั้ยอย่างคนที่เป็นผู้นําทั้งหลายเป็นเจ้าของบริษัทอะไรต่างเนี่ยลูกน้องเขาหวังพึ่งขันให้สังเกตนะเขาหวังพึ่งว่า้เนี่ยขันเนี้เป็นที่พึ่งของเราเพราเขาไม่เข้าใจไงเขานึกว่าสารณะเชื่อไหมจ้าเพราะขันนี้ก็ไม่มีไม่ขันนี้บอกว่าต้องบอกว่ามันไม่ใช่สารณะไม่ใช่ที่พึ่งของพวกคุณหรอก ควรจะมาเป็นที watering, ่เอาเอาตรงนี้เป็นที่ครึ่งไปนะก็คือเป็นกัญญาณมิทธิเตระได้บ้างแค่นั้นึองแต่ไม่ใช่สารณะแต่สารณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เขาไม่เข้าใจเขาก็จะยึดยึดเป็นสารณะเหมือนบางทียอมนี้ไม่เข้าไปไม่เข้าใจไปหาหลวงพ่อที่ว่าบางพ่อบอกฉันไม่มีใครก็มีแต่หลวงพ่อยจะเป็นที่คึ่งพอกลับไปหลวงพ่อก็บอกว่ากูก็ไม่มีที่ หลวงพ่อก็ไม่รู้จะพูดจริงฟังภาวงพ่อแก่ๆถ้าเท่าอาตมาชอบนั่นตามนด่นที่อุปทานนแ่นนั่นเขเพิ่มพูดแปลกๆนี้เขามีอย่องนีงท่านก็เป็นพระอายุต้องเป็นร้อยแล้วนี่อาตมาก็อยู่ท่านนั่นนี่ท่านก็ไปน้ำมียอมยอมคนนึงก็มาหลวงพ่อไม่รู้เป็นไรก็ว่าแต่ยอมผู้หญิงก็มากราบท่านบอกมันปวดมันเมื่อยไปหมดเลยทรมานเหลือเกิน พอเขาไปยักหน้าเพราะนั้นมากันดิฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นไรมันปวดมั่ยั่นก็ไปยักฮะเออเขาเป็นกันทุกคนเลยแต่เขาไม่พูดจริงก็เป็นุก็ควรใช่ไหมขันมันเป็นแบบนี้มันระบายทําไมสมัยก็ป่าถนาดีนั่งม่ใจหรือเสจะใจพวกก็คืออย่างนั้นอยู่นะป่าถนากันเลือะเกินเนี่ยรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อได้แล้วเนี่ย วเวลาวิบวันมันเกิดพยศขึ้นมาเนี่ยต้องยอมรับใช่ไหมต้องใคร่ควรนะที่จริงเนี่ยที่เขาเขาเขาเริ่มทรยศที่แสดงเนี่มันชัดขึ้นยัดขึ้นเนี่ยควรจะน้อมถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเป็นสัจจวาจาเป็นความจริงแท้เนอะพระเจ้าตรัสยังไงก็ไม่เคยผิดพลาดเลยเนี่ยมันน่าจะตั้งศรัทธาไว้ในการตัดสินดีของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคือปวดโอ้ยแต่ละทีก็โอ้ยพระพุทธเจ้านี่ไหมโอ้โหพุทโธอย่างานเงี้ยแล้วอุทานอย่เงี้ย ก็เหมือนกับพระเจ้าชาติพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะขนาดโดนทรมานอยู่ในเรือนจําเนี่ยยังไม่ไปกันมาแล้วยังไม่ได้ใกล้เขาคิชกูนี่ถูกทรมานอยู่อย่างนั้นเนี่ยท่านก็เนิ่นมีพุทธเจ้าเป็นอารมณ์บีพุทธคุณนี่เป็นอารมณ์ขนาดโดนตัดหนังเท้าอยู่ท่านก็อุทานอาโหพุทโธอาโหธรมโมอาโหสังโฆ จากที่ปีติเคยพองใสพอโดนตัดป่าท้าไ้เนี่ยก็เหี่ยวแฝงลงเลยอ่ะปีเตียทรมานมากใช่ไหมมันทรมานมากแต่ถามว่าท่านกรรมสกตาสมาทิฏฐิท่านชัดไหยต้องบอกว่าใช่พระโสดาบันท่านชัดอยู่แล้วท่านรู้งไงว่ามีกรรมเล่นท่านแล้วก ร, รมนะผลของกรรมนั้นท่านพยายามหนีมาตลอดแต่ก็หนีไม่พ้นตัวโดนเล่นแล้วแต่ท่านก็ยิ้มได้ในพบต่อไปใช่ไหม ท่านมอกโอยท่นตัดสังสารวัตรหดมาเหลือแค่เจ็ดชาดูโอสบายแล้วจะหนีไปไหนได้ไหมพยายามพยายามขนาดว่าโสดาบันเนี่ยยังยังหนีไม่ได้ใช่ไหมยังหนีกรรมเหล่านั้นไม่ได้ถ้าโดยเฉพาะที่เราเรายังไม่เคยทำมากสักมากเขาอยู่ในกระแสสันเลยอยู่ลองคิดดูแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยกรรมที่ไม่เคยทําเราไม่เคยทําอยู่กรรมเดียวเนี่ยคือมรรคกรรม นอกนั้นทํามาหมดเกลี้ยงอัะที่จะเนี้ยใช่ไหมที่ยังไม่เคยทําเลยมรรคกรรมเนี้ยยี่ไม่เคยนําสู่ทรงสู่กระแสขันเลยนอกนั้นเรียบร้อยหมดแล้วมาตุกขาก็ทํามาแล้วปีตุกขาจะทํามาแล้วทํามาแล้วนะในอดีตเนี่ยทำมาแล้วแต่ว่าผลผลแห่งการจะทําเนี่ยจะเจอแบบประเภทโดยอ้อมโดยตรงหรือเศษกรรมอะไรต่างก็ว่ากันอันนี้ที่ที่จะที่จะเจออที่จะต้องโดนกันไป นึกบอกว่าถ้าถ้าคนรู้จักกรรมดีพอเนี่ยจิตใจเนี่ยการบุ่งมันในการเจริญบุญศน์เนี่ยไม่อยู่เฉยถ้ารู้จักกรรมพอนะแต่กรรมวิสกตาสัมมาทิฏฐิพอเนี่ยจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่วิปัสนาอย่างรุนแรงเี้แต่ถ้ากรรมวิสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะประเพทที่นานๆเกิดนานๆเกิดก็ก็นานๆก็จะพุทธีนานๆก็จะพุทธีเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่ากรรมวิกตาสัมมาทิฏฐิชัดเนี่ย เดี๋ยววิปัสสนาสมาธิจิตทั้งมาเพราะเขาเป็นประทัดฐานแก่กันอยู่แล้วแต่ถ้าประเภทที่ว่าแม้กรรมสกตาสมาธิเขาไม่รู้เรื่องกรรมเลยนี่นะแต่โอ้อยากจะปฏิบัติใจเทียบขาดเลยเนี่ยยุ่งเนะ่ไอ้ตรงเนี้ยเยอะคืออยากปฏิบัติจังเลยเนี่ยว่างั้นนยอยากจะปฏิบัติไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงด้ยซ้าไปอาจารย์เขาบอกเอาพุทโธไปอ๋อนี่มาไงนี่อ๋อยุบเนอของหนอกไปขออภัยนะจะไหมมา อามากล้าพูดยุบหนอพองหนอเพอาะอาตมาสอนมาเยอะ <laughs> อาตมาสอนมาเลยอะ <laughs> <laughs> <laughs> ก็ก็ก็ถึงบอกตรงนี้มันเราต้องมาต้องต้องต้องว่าเป็นรายบุคคลจริงนๆะถ้าถามว่าในกรณีที่กรรมาฐานไม่เกิดนะเออหมายถามว่าเอนไม่เคยปฏิบัติเลยกับปฏิบัติผิดอันไหนดีกว่ากันก็ต้องมาตั้งประเด็นนี้หน่อยนะคือถ้าหากว่าผิดเดยก็เปนพื้นฐานเบื้องต้นมันก็เรื่องปกติแล้วก็เคยผิดกันมาเยอะแยะ แต่ถ้าผิดแบบประเภทที่ยึดมั่นเนี่ยอันนี้เท่านั้นถูกอย่างอื่นผิดอันนี้น่ากลัวน่ากลัวแตคือน่ากลัวคือตรงนี้แล้วที่ไปเข้าใจผิดที่น่ากลัวที่ที่เราฟังแล้วน่าสลดก็คือไปเข้าใจยอดผิดซะแล้วถ้าอย่างนี้ไปเข้าใจว่าพระนิพพานมันเป็นแบบนี้ซะแล้วที่ตนเองเข้าใจแล้วก็ไปยึดมั่นวันนี้พานเป็นอย่างนี้แล้วข้อปฏิบัติอย่างนี้เท่านั้นที่จะไปนิพพานอันนี้ยุ่งแล้ว คือคื อ, คอนิพพานกับพระเจา้าวันนี้พานของของของเราจะจะเปกลกันคนะละอันอะไรตรงนี้ไอ้ตรงนี้แหละที่มันมันเป็นประเด็นที่เราจะต้องมานั่งคุยฉะนั้นการปฏิบัติดีไหมดีแต่ถามว่าก็อย่างที่อาจามาพูดแต่ทีแรกบอกว่าคุณรู้ไหมปฏิบัติคืออะไรครับไอ้คาว่าปฏิบัติมันเป็นคำกกล้างถ้าทําโลภะโทสะโมหะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทําโลภะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นแล้วให้ภัยบูญยิ่งๆขึ้นไปอันนี้เขาก็เรียกว่าปฏิบัติ ต้องเข้าใจนี้่อนเด็ก็เรียกปฏิบัติชั่วนี่นะต้องชัดก่อนนะแต่ถ้าหากว่าทําศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทําศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญใพบูร์ยิ่งๆอันนี้เขาก็เรียกว่าปฏิบัติแต่ปฏิบัติดีนะเนี่ยให้แยกอย่างนี้ก่อนที่ชีวิตจริงเราก็จะเห็นได้ดไอยปฏิบัติต้องเข้าใจตรงนี้้อย ก็งัง่อยเจอัาที่ง่านแองที่เขาเรียก่าสาษก็มักจะเข้าใจว่าอันนี้เปาอันนั้นอันนี้มีวิธีอย่างไรที่จะให้สามารถจะให้เขาเข้าใจได้ว่า ไ, ได้ช่วย น, นี่เนี่ยไอมาเ็อาจจะมาเล่าตัวอย่างนิดนเพราะเรื่องนี้อาจะมาเจอค่อนข้างไม่น้อยเลยทีนี้ไอมาก็ ในยุคนึ่งอาตมาก็ครุบอยู่กับ ก, การปฏิบัติศาสน์ไ ป, ไป ม, มาก็ถูกแต่งตั้งอะไรเยอะๆหนิก็อย่าไปเล่าละเอยียดเล่าไปนล็กเ่องไม่ค่อยดีทีนี้ก็เดือดธรรมะก็มีโยมก็สอนเนี่ยสอนสอนแ น, น, นวทางเการปฏิบัติก็มานั่งคุยมานั่งคุยเดเสร็จก็คุยกัอจนมาอาตมาก็เคยก็คุยก็คุยไปคุยมาอาตมาก็บอกว่าเออนเนี่ย ท้าท์ก็ถามว่าหนึ่งเรียนจบไหมจบอภิธรรมก็เรียนจบใช่ไหถ้าไตรปิฎกก็อา่านนี่นะแล้วเขียนหนังสือด้วยมีบทบาทในสังคมด้วยก็มานั่งคุยกันก็เอาหนังสือไปให้อามาดูเพราะเออท่านอาจารย์ใช้ดูได้หน่อยอามาก็บอกดูแล้วติ้งได้ไหมอบอกได้อ๋อได้ก็ก็อามาก็คิคิดคิดคดเดีด๋ยเสร็จ ประมาณอาทิตย์ก็ม า, มาก็มากรชือเอ็นีัที่แรกเขาก็รับฟังนี่พอรับฟังเบสเสร็จเนี่ยนึกว่าเขารับฟังอยู่แค่นั้น น, นี่กว่าเขาแก้นานรึเปล่าเขาไปหาไพ่รูปหนึ่งซึ่งเป็นพระมีชื่อเสียงเลยและพระนั้นก็จะรับรองมาเรื่ออาตมามาก็นี่ไงท่านอาจารย์นี่มีชื่อเสียงยังรับรองแล้วท่านไม่มีชื่อเสียงแล้วท่านว่างเลย <c oughs> เอาเถอะจีนแล้วเราไม่มีชื่อเสียงเลยใช่ไหม ไม่ใช่ไม่มีชื่อมีนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ดังรู้ดูชื่อที่คนไม่รู้จักอาจจะมาก็เลยบอกอ้าวล้วจะเอาไงอย่างเงี้ยยุ่งเลยใช่ไหมไอ้มาก็บอกว่าเอาเอางี้ดีกว่าคุณเชื่อพุทธเจ้าไหมเชื่อพระไตรปิฎกเล่าดูกันนิดนีงอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วท่านอาจารย์รู้ได้ยังไงพระไตรปิฎกสืบทอดมาสองพันกว่าปีว่าเอาไงเงี้ยตรงนี้เอาไง เรายอมจาถ้าเจอนีทำนิยมไม่ต้องกล่วว่าเหมือนแต่ใประเอเมีในก่อรแแนั้่อย่าเชื <t <t <t <t <t <t <t. <t ่อเลยแล้วอันนี้เป็นการที่ในทสมัยนี้ตั้งแต่โบรามาจากผู้ที่มโดจักรที่ไหนล่ะที่ว่าต่อต่อกันมาแล้วคุณก็ต้องเข้ามาดูก่อนว่าในความจริี้เนี่ยเช่อไหมที่ค่อน่ยคต้องเข้ามา คือคือจริงๆเขาศึกษาไหมศึกษาไม่ใช่ไม่ศึกษาเอาละสินี่นี่ตรงนี้คือประเด็นตรงนี้แหละคุณยอม์มองสังเกตโดยที่โดยจำนวนดูแบบว่าไตวีดโอลเป็นีถวเป็นวงเวียนแบบใสกันอยู่นี่อะไรกันคือมถ้าเห็นไม่รบนี่ก็ช่วยทำคำถามนะคะกอาจจะสอแล้วก็ใส่อธิบายก่อของของของตอนเร็นนะคะ อก็ก็ก็นนตรงนี้แหละ<อ>ที่ว่ามันเป็นประเด็นที่ว่าคือในกลุ่มที่เหมือนเหมือนอาจารมาอาจมาไปปฏิบัติก่อนเรียนที่หลังอาจมาจะเข้าใจเลยไอคนปฏิบัติมาก่อนหมายความว่าไปลุยเรื่องการปฏิบัติมาอย่างอย่างอย่างหนักเลยแล้วอยู่ต่อมาก็ มันเลิ่มตอบปัญหาผู้อื่นเริ่มเลยเราก็เริ่มถอนิ่มวแล้วเสียใจใช่ไหมก็เริ่มมาศึกษาแล้วเราเข้าใจก็ไม่เข้าใจเหมือนอาตมาแต่ที่แรกเนี่ยอาตมากว่าจะถอนตนเองได้ใช้เวลานานมากกว่าจะถอนตนเองได้นี่ใช้เวลาค่อนข้างนานอาตมาก็ามาสังเกตเอ๊ะเราห่วงอะไรเนี่ยเราห่วงอะไรเนี่ยมันนึกในใจอ๋อมันมีเรื่องทักมีคนยอมรับนับถือ ถ้าคนยอมรับนับถือเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเหมือนอาจจะมาครั้งหนึ่งที่มีคนยอมรับนับถือมากแล้วไปแล้วความสําคัญตนเนี่ยมันเยอะชื่อมัไมบางทีเดินออกมาเนี่ยขนาดออกมาแล้วยังอยากจะกลับไปหาเขาอีกมันดึงดูดขนาด น, กก น, นั้นนะผู้การแรงขนาดนั้นนะอยากจะลองลองคิดดูที่ว่าเราอยู่อีกจุดหนึ่งมีแต่คนยอมรับแล้วหมด แต่เรามาอีกจุดหนึ่งเราต้องมาเป็นลูกศิษย์ใครก็ไม่รู้เข้าใจไหมมันนั่งเรียนไอ้เด็กวานซึนสอนเรานี่มันคิดนี้อัตาเขาบ้าเ่ือเลยนนั่งบางทีต้องทนนะเพื่อเราจะถอนตนออกมานะ่มต้องทนขนาด น, นั้นนะเพราะว่าถูกยอมรับอย่างหนัก แล้ววันใดวันหนึ่งเราจะต้องเดินออกจากตรงนั้นที่ไปอยู่ในที่ที่ไม่มีคนยอมรับเราสักคนเลยแถวว่าทำไมคุณยิ่งใสขนาดนั้นท้องไม่ค่อยได้เลยเนี่ยมันมันลําบากนะซึ่งไม่มีใครกล้าว่าเราอย่างนั้นเลยใช่ไหมในสังคมหนึ่งอแต่เราจะต้องต้องัดใจเดินออกจากสังคมนั้นมาแล้วก็เพื่อที่จะมาเรียนรู้อีกอีกมิติหนึ่งยากมากเราก็จอันนี้เราก็จะว่าว่ากรณีที่จะถอนอะไรเนี่ยยาก ผูก้การก็ต้องเคยอ ย, ยู่แล้วถอนการที่จะเดินเดินออกมาจากจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยสหัสแกันสาหัสกข้อนนะคะยเียกมารเกาความมนะคะก็รู้ว่าสิ่งที่ช่าเยันก็รู้สึกว่ามันัไม่ถูกยงที่่มันช่วยคนได้ท้าเวลาอบมนยงก็มีลักษณะเข้าไปทำสมาธ แล้วก็ได้ความธรรมะมากช่วสัปเดียวระหวัางสิบโดมตรงนี้ทั้งที่เยาก็รู้สึว่ามี้ชมคตรงนี้ก็ก็ศึกษาัำสอนไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังก็ถูกไม่ใช่ยอมาไม่ได้ยอมว่าไปจัดการค่ะว่าจะอมวันเพาะว่ายอมแค่ต้อก็ช่วยคนที่เขาได้ค่ะที่เขอไม่สามารได้เจริญบุตรศรีเน้วได้เจริญบุรยมระว่า ลักนะถ้าจะช่วยนะสมมุติว่าหลักปฏิบัติอาจจะบิดเพียงหรืออะไรได้แต่ถ้าหลักคําว่านิพพานไม่เพี้ยงไม่เป็ น, น, น, นอะไรใจาอย่างนี <c oughs> ข้ขอขออห้อยา อ, อย่าไปหักยอดนี่นะ <c oughs> ถ้าถ้าเราจะ <c oughs> ถ้าจะหนุนอะไรเนะี่ยต้องดูกันว่ายอดเพราะมันเป็นจุดสำคัญที่สุดนะเาพราะพระนิพพานของท่านมูนั้นพิกาอยู่ไนหะตรงกับพระนิพพานของพระพุทมีภาคไหม ถ้าเป็นสภาวะของพระนิพพานที่ท่านมุ่งหมายไปนี่มันไปคนละทางนะ้การการเป็นหนุนตรงนั้นไม่ควรเลยนั้นไม่ควรแต่ถ้าหากว่าหลักการก็จะสอนวนๆอะไรก็แล้วแต่เอะแต่พระนิพพานของเขาเนี่ยมันใช้อยู่อันนั้นก็ก็ว่ากดไปนี้ยุคสมัยนี้ก็ว่าันตามฐานะกวาดตามธรรมเนี่ยแต่ว่าจนไปหักยอดเขาก็ศาสนาแล้วเราเรียงไปเห็นดีเป็นดีตรงนั้นก็ก็ก็ไม่รู้แล้วก็แน่นำว่าพยายามที่จะเริ่มต้นก็ ว่าใ้อยเอน่ยู่ด้วยถึงเวลาก็ตารสภาวะการก็ให้ชหึงอย่างอยู่รมขณะแล้ค่อนางีก็คือเรื่องของสจนะะ่งนี้ไม่ตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายเห็นว่าประโยชน์ที่เห็นจากคนที่เข้าเข้เาไมคุณก็ไม่ว่าเองไม่เข้ามาโดยท่เขาถว่าเสจก็มีบางส่วนแล้วก็สมีการที่ทำา ท่านสุภาษิเดินก็ไม่ค่อยจะเป็นสภาพมาตลอดเลยไม่ได้เข้าตรงนี้ตรงนี้มันอยู่ว่าสักวันหนึ่งนะถ้าท่านเป็นนักการศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยข้อมูลมันจะเริ่มออกมาเรื่อยๆจากข้อมูลที่มันเริ่มออกมาเรื่อยๆ เ, เนี่ยเท่าที่อากจะมากําลังกําลังเดินอยู่ เทียวกับเดินใต้ดินได้บ้ารู้ไหมกำลังให้ข้อมูลกับพระที่รู้จักหรือว่าพยายามพยายามที่จะใช้เวลาให้หนานแล้วสักวันหนึ่งก็จะพยายามเอาข้อมูลตรงนี้ออกแล้วก็ช่วยกันดีแพร่เลยช่วยกันรบก็ถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นถ้าหากว่าคือคนมีบุญต้องมีใช่ไหมเมื่อคนมีบุญมันได้เจอความคำสอนพระเจ้าแล้วก็พยายามอธิบายอัฏฐพยัญชนะแล้วก็ของพระเจ้าเพื่อความบริสุทธิ์ของข้อธรรมคําสอน เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องผิดหลักปฏิบัตินีนถือว่าเรื่องปกติแต่อย่าให้อย่าไปหักยอดถ้าไปหักยอดเลยตรงนั้นมันเป็นเรื่องลำบากตนีะไอ้ต้งหลักการตรงนีน้มันอาจจะมันอาจจะวนๆงินอยูอย่แล้วก็คือคือถ้าไป fix หมดนี่มันจะลำบากแล้วนะจะเป็น ม, ม, ม, มันจะหมดเลยโคกเดนะียววันไมงแลก็เป็นผูที่รักษาศีรษะใช่ใช่ใช่ใชก็ตรงนั้นแหละนะก็ต้องดูก็อย่างที่บอกว่า ศีลและทิฏฐิที่ตรงจะเป็นเบื้องส้นของพระมรรจันทนระ์แต่ปัญหาคือทิฏฐิในเรื่องของพระนิพพานถูกไหมตรวจสอบตรงนี้นะถ้าทิฏฐิของพระนิพพานถูกเหมือที่เราเห็นและเยอะแยะหมดก็คนแก่บ้านพักคนชราล้วก็ยังไปช่วยได้เนี่ยก่คิีแค่ตรงนั้นอมันก็ก็ใครควรด้วยทีนี้กนะ็แต่ว่าถ้าหากว่าประเภทที่หลักการของภาษาศาสนาพังเยืยไอ้ตรงนี้มันก็มันก็เลยถ้าอย่างนี้ไม่ดี ถ้าเล่นหักยอดเลยเนี่ยนะจบแล้วถึงนี่เาหักยอดแล้วมันก็ยุ่งแล้วก็แค่สัญลักษณ์เหมือนแค่นั้นเองแต่ยอดมันไม่ใช่่านี้อันนี้ก็ลำบากเลยเมื่อยามมีสเนะมีตวันาและมีสติและไม่และสไม่สคัญอนนั้นเียกว่ามูลิกริยา คือก็ก็เนี่ยบางทีการใช้ภาษาเนี่ยการใช้ภาษาของเขาเรียกว่าพยัญชนะเนี่ยพยัญชนะที่ที่ใช่เนี่ยมันดีใช้พยาญชนะผิดแต่ไม่รู้ว่าอัฏฐานที่ท่านเข้าใจนั้นมันถูกหรือเปล่าแต่มันโอกาสผิดมันสูงถ้าพยัญชนะมันผิดมากๆอย่างเงี้ยถ้าอัฏฐานมันก็ต้องสอบถามว่า ไอ้คุณคุณกล่าวพยัญชนะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเหมือนกับคําว่าห้ามคิดเนี่ยใช่ไหมคําว่าห้ามคิดเนี่ยถ้าเขาบอกว่าห้ามคิดเนี่ยพยัญชนะตัวนี้คุณคุณใช้แล้วแต่เป็นพยัญชนะของคําว่าจิตเป็นพยัญชนะของคำว่าวิตกเป็นสัมมาวิตกเป็นต้นก็ได้เนี่ยพยัญชนะตัวนี้ยเราไปถามเนี่ยเชื้อทิวาอัฏานที่คําว่าคุณห้ามคิดเนี่ยห้ามยังไงบางทีเขาบอกว่าห้ามคิดบาปห้ามคิดอะไรก็เออ ถ้ า, างั้นบอกคุณช่วยปรุงพยัญชนะใหม่ได้ไหมทำให้มันสมบูรณ์ได้ไหมแล้ก็ต้องพยายามสื่อกันอย่างงี้ต้องียนปงเพราะว่ามาจริงการก็คือร่างกายโรคภัยต่นนะางนะคก็เปนธรรมะนะคะพอเข้ามาดูเราไปทำกันที่เรยแร่จริงก็โทษนิดการ <laughs> กล่าวอะไรนะ คือหมายความว่าจริงๆแล้วคนเราไปแสดงหาให้มันาก้แค่จริงรูปประกันต่างๆเหานี้เนี่ยก็เป็ธรรมะอามารพิสนามันเราทําไปให้ยากทําให้เกิดเพลินเลยแค่จริงก็ตพียงพอ้คือทุกอย่างก็จบจ้ะเอ้ก็ไปที่เจริญะอย่างเนี้ยเยอะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าบอกว่าบอกว่าได้ยินเสียงปุ๊บมันก็ดับแล้วใช่ไหมกลิ่นมากระทบจมูกมันก็ดับแล้วลิ้นกระทบลิ้นมันก็ดับแล้ว โหดพระมากระทบกายก็ดับแล้วใจกระทบธรรมอารมก็ดับเห็นรูปปุ๊บมันก็ดับฉะนั้นไม่มีอะไรไปยึดอะไรก็ น, นี่ไงหลักปฏิบัติง่ายๆไม่เห็นต้องไรอะไรเยอะถามคุณหมอที่เขรู้เรื่องดับดีดกว่าพวกเราดับดับทั้งโลกเนี่ยเยอะๆใช่ไหมก็เห็นยันโนหนเห็นดันเกี่ยวกับในเรื่องว่าถ้าเราวิจัยเกี่ยวกับรูปธรรมเนี่ยหมอนี่ก็ใช้กล้องอยูเรทัศน์ดูใช่ไหม เซลลต่างๆของร่างกายมันแตกดับตลอดเวลาแต่เห็นดับอย่างนี้ละอะไรกันได้บางคนหมอบางทีขอไปมีเมียสองคนมีเมียเยอะไหมใช่ไหมไม่เห็นดับอะไรเลยไม่เห็นเบื่อกายเลยอ่ะใช่ไม่ใช่ไม่เห็นเบื่อรูกประกายเลยถ้าเห็นดับขนาดนั้นจริงๆก็เป็นไปก็การถ่ายทอนมันต้องเบื่อจริงไหมมันต้องเบื่อที่กรรมคุณมัยต้องน่าเบื่อมากแต่เห็นหมอแต่งงานนี้ได้ทุกคนเลย นิขออาจจะเรียนกรรมมันก็ได้ยงหมอก็ออกลมมุมนี้ก็ได้แต่หมายความว่าพูดหมอก็ยังติดข้องในกรรมอยู่คือพูดเองก็ยังกิดข้องแต่จริงการเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ไงอันไม่ใช่เป็นไปเพระการถ่ายถอนมันไม่ได้เห็นด้วยด้วยปัญญาคือปัญญาเนี่ยคุณต้องลืมว่าวิปัสสนาปัญญามันมาจากอะไรอ้วมต้องลายยาวเลยเอา้าทำไมยถาภูริยานัทัศนามาจากสัมมาสมาธิธสัมมาสมาธิธ ม, ม, าธธมาจากสุขใช่ไหม สุกมาจากปสัสสธิปสัสสธิมาจากปีติปีติก็มาจากปราโมทปราโมทก็มาจากอาวิปปิสารอาวิปปิสารมาจากกุศลศีลไอ้กุศลศีลมันมาจากอะไรอย่างนี้ต้องไล่ไปดูทีมาจากโยนิโสมนัสิการเป็นต้นเหล่านี้โยนิโสมนัสิการมาจากการฟังธรรมกันเข้าใจอย่างดีแล้วเราต้องดูสายการเดินของกุศลดีไม่ใช่มาแบบประเภทที่ว่าเอ้ยไม่ต้องมีศีลมีอะไรมาไม่รู้เรื่องศีลมาเลยอะยม เสียงกระทบหูดับไหมอ่ะดับไม่ยังไงใช่ไหมไอกลิ่นกระทบที่จมูกดับไหมอ่ะดับเนี่ยไม่เห็นจะไปยากเย็นอะไรเลยความ โ, โลภโกรธหลงดับหมดแล้วไอทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นสัพเพธรรมานาลังพินิเวสายะธรรทั้งหลายั้ ง, งวงไม่ควรยึดมัน่นจบเลยถ้าถามว่าสัพเพธรรมานาลังพินิเวสายะไอธรรทั้งหลายได้แก่ยวอะไรผมไม่รู้ใช่ไหมขันห้า อายตทานาสิบสองท้าสิบแปดสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุทัยทำเหล่านี้มีความยึดมั่นอะมีความยึดมัน่นนะกว่าจะไม่ยึดมั่นมาอย่างไรต้งไล่เลยเวลากล่าวยอดต้องไล่ไปหาต้นด้วยอันนี้แหมบางทีเรามาจากทุกศีนเลยเจ็บไหมทุสีนมาเลยกายยาตัวจริตวัจีตัวจริตรมโนตัวจริตเป็นแท้หมดพอเข้าห้องกรรมฐ า, านได้เจ็ดวันกลับมาจะเป็นปวัสดุธรรมบอกเลยเ้าใจไทีนี้แล้วหนึ่งก็คือ อาจมาจะ บ, บอกว่าหนึ่งอย่าหลอกตัวเองสองอย่าให้คนอื่นหลอกไอ้เขาก็หลอกตัวนี้ก็คือว่าตัวเองหลอกตัวเองคือสําคัญว่าตัวเองได้คนอื่นหลอกก็คือว่านี่ใช่แล้ว น, น, น, น, นี่ใช่แล้วนี่การปฏิบัติโอ้ยอมมีบุญมากพอปฏิบัติไม่นานปีตี่เกิดโอ้ยนี่ใช่แล้วนี่ใช่แล้วไม่รู้ใช้อะไรก็ไม่รก็เหมือนว่าอาจมาไปเจอที่ไรก็พรอาจารย์มาก็ ไปที่โรงพยาบาลสักพักหนึ่งก็มีพระเถระมีแกจิตนะ่มีชื่อเสียงมาอาจมาก็ไม่รู้จักว่าอาจรมาเนี่ยเป็นบระที่ไม่ค่อยได้รู้จักข่าวก็ไม่ได้คอยตามเติมเล ย, เลยกระท้อนด้มั้ก็ไม่รู้พอไปไปมาเอ๊ะทําไมหมอพยาบาลเลยก็ลุกพอยต้อนรับปิดผ้าก็เข็นเข็นพระเถระมาอาจามาโอ้พระเถระมาอาจมาอ้ากก็ก็ยืนก็ยืนขึ้น เพ่มึ้ก็อก็ก็ขึ้นท่านไปแล้วก็เบสเสร็จก็พระที่เป็นภาพติดตามทาั้นมาก็มานั่งอยู่ก็อรมานั่งรองหมอกันนั่งบสสอามาก็ถามเออหลวงพ่ออะไรถามเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อท่านนี่ก็กว่าว่าไม่รู้เลยเนี่ยเพชรน้ำหนึ่งของพาอีสานอรมาเอ๊ะเพชน้ำหนึ่งา อ, อ, อ, อ, อ, อไม่ทราบจริงครับบอกว่านี่ท่านเดียวอ่ะ เจอพระหาเทล่าเจอเจอหลวงปู่ท่านไม่เข้าไปกราบเนาะเอกโอ้มันทําไม่ได้ท่า น, นทําได้ไงล่ะมันที่ที่กราบไม่ได้ผิดวินยัยใช่ไหมท่านผิดวินยัย ท, ทางแบบวินยัยมาไปทําได้ไงยอมก็อยู่กันเตียนไม่ไปกาบเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่จิตที่ควรไปไปไปไ ป, ไปทําปทอแต่กปล่อยท่านว่าไปสักพักอันมาก็เลยแก้งกราบเอา ถอนท่านบวนมันกี่ปีแล้นี่ยบวชมันสามเดือนแล้วอาจจะสามเดือนผมมันรูท้ทำนะเอาอะไรจะยุ่งเลยใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยตัวเนี้ยท่านมาสามเดือนท่านมาัรู้ทำเลยมาอยยุ่งเลยมันมีภาอีกสององเป็นหมอไปเรียนที่ที่ไปด้วยกันสององก็บอกไปเลยพูดเบาๆเนี่ยยุ่งเหมือนนั่ไ่้าอี ย, ยายุ่งเลยเงอยเนี <c oughs> นน้เราบอกที่ทาตัวยากอะไรแตเนี้ย ท่านบอกว่าท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านศรัทธาหลวงพ่อก็เลยเปปฏิบัติในปฏิบัติมาท่านบอกท่านฉันมือเดียวแล้วก็แล้วผาเทวนษาท่านก็จะไปร่้ธแล้วท่านก็มาทำนิตอาตมาเนี่ยนะว่าไม่ทำวัดพระเถระอาตมาก็เลยย้อนถามท่านบอกว่าอท่านก็บอกว่าเออรู้ไหม ว่าวันนี้ท่านเป็นพระอริยะเนี่ยที่มาอาตมาก็ไม่ทราบหรอกเพราะผมเป็นบุรุษชนดังนั้นตามธรรมดาเนี่ยการที่จะรู้ว่าใครเป็นอริยะหรือไม่อริยะก็คือต้องเป็นพระอริยะถึงจะรู้ท่านจะรู้ภูมิทางนี้ก็คงผมไม่ทราบเจนิงๆไม่รู้จริงๆเลยนะเขาบอกอย่างนี้แล้วนี้บอกว่าท่านก็ะทำหนี้ว่าธรรมาไม่ทำบัดรมาถืออาตมาก็เลยย้อนถามว่าคุณบวชมาเท่าไหร่บวชสามปี อาจมาก็โบตอนนั้นตอนนั้นนีน้นั่นผมเป็นพระเถรได้ยังผมยี่สิบห้าปีแล้วตอนนั้นนันท่ก็มองเอ้ท่านก็ต้องทำบัตรผลทีเท่านั้นจะขอไปนี่ั่นไม่ต้องทำารมันที่ไม่ควรทำเาบอกที่ไม่ควรทำเขาเล ย, ยบอกท่านนี้ท่นนี้มีหนา้าคาไหนราบา ทีนี้ท่านก็พูด ท, ท่านไปนแล้วก็พยาบาลหมอก็นั่งฟังท่านแล้วท่านปธิบารว่าบรรลุธรรมเมื่อไรอย่างไรเพราะว่าทีนี้คือพัฒมาขึ้นแล้ว้าท่าแล้วท่านพูดมาอยู่ความหมดการบรรลุธรรมต้องอวดที่ต้องบอกคือการบรรลุธรรมต้องอว ด, ออดถ้าไม่อวดนี้คนจะไม่รู้ว่าโลภุตระธรรมนั่นหนึ่งงไม่เรื่อเลย จะเนี่ยนอะไครับคืออาดไหมานั่งเนี่ยือาดนะอาถ้าเป็นโยมจะนั่งเด็จะิด้าไปเจอก็ก็นางคิดอลําบากเลยงานทีนี้ทนี้ไปไปมามาก็พูดไม่พูดเปล่าก็เริ่มเริ่มเล่นเราแล้วเริ่มเล่นเรนนึกในใจเอ้นึกถึงพระพุทธเจ้า แล้วนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าก็มันนึกถึงโอ้โหนึกถึงในหมหาประเทศนะที่พระเจา้าตรัสว่าเอออย่าโรมมนั์หรืออยากเกิดอภิชาญนะแต่มันมันบางครั้งมันเกิดบิดในความรู้สึกมันมือความเสึกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าทําไมมาปฏิสระกระทำของพระพุทธเจ้าทุกเดืยนนี้เห็น ไ, ไหมเราก็นึกถึงคําพูดที่ท่านพระมหากระสน ท่านพระมหากระศกเนี่ะท่านติงท่านผ้าโนนผ้าโนนนี่เป็นพระอริยะนะเรอดูท่านติงเนี่ยเราฟังเราอยากรู้ทำไมไปว่าท่านขนาดนั้นว่าผ้าโนน่ะคือท่านผ้าโนนเนี่ยมีภิกษุบวชใหม่เยอะตามท่านเยอะพอตามเยอะเสร็จแล้วพระภิกษุที่บวชใหม่นั้นเน่ยคือพ่อแม่เอามาบวชไว้เยอะมากฝากฝากฝากผ้าโนนเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือศรัทธาพุทธเจ้า แต่ศรัทธาแค่พระรูปศรัทธาโดยฐานะที่พระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์เท่านั้นแต่อยู่ต่อม า, พ ร, าพระพุทธเจ้าปรินิพานพระเหล่านี้ก็สึกกันไป็นส่นมากสึกพ่อแม่ก็เอาออกก็กลับไปหมดพอเห็นว่าโอ๊ยพระเจ้าปรินิพานแล้วคือไ ม, ไ, ไ, ม ไ, ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มุ่งแค่มุ่งแค่จ ะ, จะเจริญสิกขาสามหรือบรุธรแต่มุ่งว่าเออได้อยู่ใกล้กษัตริย์อย่างเงี้ยแล้วพระนรนทร์ก็พาภิกษุเหล่านี้ไปภิกษุเหล่านี้ก็ไม่สํารวมอินทรีย์ไม่สํารวมระวัง ท่านพระมหากระสุก็บอกว่าใช้สาวคําว่านกุมารโลเลยนะบอกเด็กน้อยนี้ไม่รู้จักประมาณนําพาทิกสูตที่บวชใหม่ที่ยวเหยียบย่ํำข้าวกล้าของชาวบ้านไม่สํารวมอินทรีย์เด็กน้อยไม่รู้จักประมาณตรงใช้คําพูดอย่างนี้นะเราเนี่ยโอ้โหขนัดท่านโดนยังโดนพระมหากระสุพูดใช้คําแรงกันาด น, นี้แล้วเรามานึกดูครนะเออบางทีนึกถึงคนอนยุทธ ต้องใช้คาว่ากุมารนี้ไม่รู้จกประมาณตนใช่ไหม <c oughs> กุมารไม่รู้จบประมาณตนนั่นเนี่ยบอกหักชิ้นนะจักของพระพุทธมีพระพักเจ้าต่อหน้ า, ต, นาต่อตาเราแท้หนึ่งเงี้ยนะต่อหน้าต่อตาเราแท้เราศึกษาพระธรรมแ ท, ท, ทตายแต่มีใครกันบ้างมาหักพระธรรมคาสอนของพระเจ้าอย่างรุนแรงเลยมันนึกโอ้โหมันเหมือนเอาอะไรฟาดหัวเนี่ยเข้าใจใช่ไหมเหมือนเอาอะไรมาฟาดหัวเราเงี้โวตายแล้วก็เหมือนกับภาษาไอ้ปะ พระมหากระสนนั่นกันนะตอนที่สุภัททาอุทาบรรพชิตเนี่ยบอกว่าการบริญิพานดีและที่พระเจ้าบริญิพานบอกว่าต่อไปจะได้ไม่มีใครมาจับจุ่มแล้วมันจะได้มีมีใครมาคอยว่าอย่างนี้ควรแกเธออย่างนั้นไม่ควรแก่ตัวท่านพระมหากระสนท่านบอกนะท่านบอกเหมือนเหมือนมีใครเอาผ่าถึงใจท่านีก็คือไปประทุษร้ายพระธรรมก็คือประทุษร้ายพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหละคือประทุษรายพระพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละ ทำไมมาปฏิบัิศาลาระธรรมหวงพระพุทธเจ้านี้ยแล้วไม่ดูในพระวินยัยใช่ในทุติยในเจตุถาปราชิตพระพุเจ้าบอกหมหาโจรมหาโจรประเภทที่ห้าไปหักชินจักของพระพุทธเจ้าการอวดอ้างในลักษณะนี้จะเป็นเหตุทำให้ทำให้บุคคลโดยทั่วไปที่ไม่ไศึกษาพระธรรมเนี่ยเข้าใจว่าปฏิปทาของพระอิรยาท่านเป็นแบบนี้ ถ้าบรรลุแล้วต้องต้องพูดต้องประกาศเห็นไหมมันเข้าใจผิดหมดเลยเนี imagine, like ่เขาเรียกว่าหักหักชินจักของพระุทธเจ้าสบันเลยแล้วก็นึกโอ้โหทุกคนก็เลยแล้วคนส่วนใหญ่หลายคนเข้าใจแบบนี้แล้วนะเข้าใจแบบนี้แล้วว่าคนที่เป็นพระยะเขาอวดเขาประกาศเขาบอกแต่ถ้ากไม่เป็นพระยะก็คือเฉยๆไว้ไม่กล้าประกาศมันก็เลยไปเข้าใจผิดเลยตนนี้ ไปๆมาก็เลยพระที่เดินประรามประทามวินัยก็ก็ต้องนั่งก้มหน้ากันไปตรงนี้นั่งก้มหน้าัไปว่าออแต่จริงๆวันนั้นอาจมาพูดที่โยาลก็พูดเพราะว่าขอพูดนนั้นนะน้องนักธรรมให้ขอไครให้ขอใครยมคุณหมอในทพยาบาลน้อยไหนึ่งที่จริงในที่พูดพูดมันก็ถ้าพูดเฉพาะนั่นที่ไม่มากระทบกระทั่ง อาตมารูรรารา้ว่ากรรทหลวงม่ไอเจ้าแต่เชื่อว่าจะมามีปัญหาเพราะเขาทาเขอชี้แจงเลยหนึห่งการการบรรลุอุดการการการได้อุดการรู้รรรรรธรรมได้ชาญมากผลในิัญญานควรประกาศบอกรู้ไหมเนี่ยทำท่าประกาศบอกกลับไปวันนี้เนี่ยจะต้องไปฉีดจะตุถะประชิกออกคือข้อนี้ต้องฉีดออกทั้งหมดเลย ฉีดออกมาหมดเลยพระไตรปิฎกเนี่ยับไรจะต้องไปฉีดที่รัฐธรรมนูบอกว่าพระไตรปิฎกนมันยิ่งสําคัญยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญสาคัญมากรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเปลี่ยนจะแปลงกันก็เปลี่ยนแปลงกันจนไม่รู้เท่าประเทศไทยตั้งสิบแปดสิบเก้าฉบับเปลี่ยนมันเปลี่ยนไป็นยูเรียล่าหมดเแต่พ่าไตรปิฎกเปลี่ยนไม่ได้ เพราะการทำคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องรักษาไว้ต้องเทียบเชียงก็ก็ปากให้คิดว่าเออเราจะเราจะเชื่อพระไตรปิฎกหรือเชื่อบุคุณถ้าวันดีคืนดีขึ้นมาเนี่ยนะพระทั้งประเทศลุกขึ้นมาประกาศลงอะไรจะเกิดขึ้นแล้วต้องดูต้นต้ น, ต, นต้นจตุทาประรชิกก็คือประกาศเพราะอดเพราะข้าวอาหารอด เพราะว่าพระจยากไปกลุ่มแม่น้ำมะทุมพวกคาเนี่ยนะไอีกกลุ่มอีกฝากหนึ่งเนี่ยอดอยากไอีอกฝ่ายหนึ่งก็พิจารณาไอ้ถ้าขืนเป็นอย่างนี้พวกเราคองอดแน่ก็ประกาศกันนี่สาขาวว่าพิจิตรูปนั้นได้ปัทโธมาชานบ้างองค์นั้นได้ทุติยชานแต่ที่ชานจิตตุทชานใช่ไหมองค์นั้นได้โสดาบานสกาทา น, นะคะประชาชนก็ทําบุญอ้วนลูกพันธุ์ผองไสมเป้าพระเจ้า พะเจ้าปดูกลุ่มหนึ่งซีดผอมอีกกลุ่มหนึ่งก็คืกอก็ฐาลท่านก็บอกวันนี้โโหก็อาหารยินดับานไม่ลําบากเลยเพราะปฏิบัติกันแบบนี้พระเจ้าของโอโมคุลุตก็เป็นอย่างเป็นเจตนาเต็มที่คือเหตุมันมีใช่ไหมไอ้ตรงนี้อ้ถามม่นมีใครจะรับประกันไหมว่าคุณประกาศเพื่อไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เพื่อสิ่งเหล่านี้แต่ก็คุยพูดเยอะแต่า็แต่ก็พูดแล้วก็ต่างคนต่างไปอันนี้หลายนันแล้วเนะี่ย นั่นจะเป็นอันนี้ก็คืออันนี้มาเล่ากันนี่เล่ากันก็ ท, ทําั้งลกทิ้งได้กันลบ <S <S <S <S อ่ามันจะมันจะมีคนตัดออกบ้างก็ต่อเพราะจริงๆก็เป็นเรื่องหนึ่งเราก็มันไอะทบต้นแล้ ว, วก็อยู่แต่เป็นเรื่องที่ว่าเออนี้ภัยภัยที่มันเกิดขึ้นในฐานะที่พวกเราศึกษาและทำกัรสอนถ้าศึกษาไปเดินนั่งเข้าวุ่นเหมืดแล้วถ้าหากว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่มีแบบแผนนี้ก็วุ่น ในเข้าในข้าก็อย่าแปลกใจนะเมื่อเราค่อยๆฉีก่อไปฉีกอกอกไปจือยะไรใช่ไหมะนเข้อในเะข้าถ้าหาปริยัติไม่อยู่แล้วปฏิบัติไม่ต้องบอนะูดณาเพราะจริงๆแล้วเรามาแยกกันดังนั้นแท้จริงเขาไม่ได้แยกกันเลยในะรื่องปริยัตกับปฏิบัติก็มือนคําว่าศีกขานะศีกขาคือปฏิบัติทั่นเองก็เป็นเป็นเป็นเป็นโลกศีกขาคือการเรียนรู้แล้ ว, ลวก็ไปใหญ่เลยนะมีอะไรก่อนเสมอ เช่เาเาล่าเรื่องวันนี้วันนี้ห น, นังสือที่ผมเกือบขายฉบับนะคะัที่จะมีประมาณสัก ส, สี่หนึ่งในสี่ของหน้าเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าบอกว่ า, วาทุกคนมีสระในการนักถือศาสนาความเชื่อและวิธีกรรมต่างๆเป็นเหมือนกับทำพระธมเ น, น, นอีอ๋อแ ม, แม่ตรงนี้อจะมาเล่าประสบการณ์นันมาครั้งหนึ่งเออมี อดีตผู้ใหญ่ท่านหนึ่งตอนนั้นเป็นตอนที่จะร่างและทำนุนปีสื่อนี้ก็ลบได้แล้วนั่นนึงนี่จะมีเรื่เล่าอีกคับทีนี้ก็เพื่อนท่านคนนี้รู้จักก็ไปที่วัดหมายถึงใจว่าท่านจะเคารพพระเถระที่วัดที่อาตมาก็อยู่ก็รู้จักอาตมาก็บอกว่าคือแต่ก่อนเนี่ย แต่ก่อนเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของาศาสนาต่ตางๆไม่ได้ถูกหยิบยกเข้ามาใส่รัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นกิ จ, จกรลักษณะนี่ต่อมาก็ามายกว่าศาสนาพุทธคิสอิสลามสิคินดูนะเอาเข้ามาในรัฐธรรมนูญอาตมาก็ติงแต่ที่แรกแล้วอันนี้อาจารย์แยกแะ ว, ว่าพุทธโยมอาายอันนี้ต่อไปจะเป็นปัญหาอย่าเอาเข้ามาได้ปล่อยเป็นธรรมธรรมชาติเรื่องาศาสนา ถ้ายกขึ้นมาแล้วจะเป็นประเด็นอีกเยอะแล้วต่อไปเนี่ยยอมอาจจะนี่นะจะจักนอนตายตาไมไป่ลัจำคำธรรมดาไว้เรื่องสาวสนานอย่าเด็ดขาดถ้าเอามาแล้วมันจะมีข้อต่อรองกันค่อนข้างเยอะมากแล้วมันจะมีอะไรตามไปเยอะฉะนั้นจะเขียนละทำนองเขียนของของฝ่ายทางรอบไปใช่ไหม ถ้าเขียนกว้างๆกเขียนใหญ่ยกขึ้นมาเด็ดขาถ้ายกขึ้นมาแบบนี้นะเป็นประเด็นแน่นอนซึ่งซึ่งมันมีจุดแตกต่างอีกเยอะแยะคนปรากฏก็ไม่เชื่อแล้วอยู่ต่อมาเนี่ยท่านพวกนี้หมดอำนาจแล้วแล้วไปบวชที่วัดอาตมาก็ถาเก็บนอนสะดุ้งตลอแต่พูดเยอะนะเดียลียดใน้ไม่พูดอก โอ้ท่านพูดมาไม่มีผิดเลยทุกวันเดือดร้อนมากองศาสนาหนึ่งนี้นั้นผมได้แท้เป็นประธานเลยก็ว่าเ mm hmm. ห็นไมเดือดร้อนไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องนั่นไปเอามาก็รู้วบางทีนนอย่าไปนั่นเลยแต่ว่าประเด็นปัญหาก็คือว่านี้แหละพระพุทธศาสนาเนี่นะให้สังเกตดูล้มลุกคุกขานมาตลอดมาตั้งแต่สมัย ข้างพุทธการหลังจากพุทธเจ้าบริีนิพพานมาแล้วฉะนั้นพุทธศาสนาจะเป็นไปก็ตามผู้นํานในยามใดก็แล้วแต่ถ้าผู้นํำคลึงคัดในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็จะเลินนะี่นะแต่ถ้ายามใดผู้นำํำละทิ้งพระพุทธศาสนาอย่างยุคปัจจุบันนี่ได้แล้วไปก็ใหญ่เลยทนะีอันนี้ก็ไปลแล้วคนละประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าแต่มันยังดีอยู่อย่างก็คือว่าพวกเราก็ต้องขึ้นมาก็ช่ว ย, ยใครนหนมะือนแต่ว่าในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าให้เราเข้าใจว่าทุก ในกรณีที่พระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าสิ่งประเด็นประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคือว่าชาวพุทธเราเนชาวพุทธไม่ค่อยศึกษาว่าทำวันนี้วันนี้เป็นประเด็นเดียวแล้วไม่ใช่ชาวพุทธอย่างเดียวเนอะในนี้อะไรมาอยู่ในแวดวงของวงการค้าเนี่ย น, น่าเศร้าอย่างคือพระอาจารไปเรียนอีกเรื่องหนารไปเรียนอีกเรื่องนง ยอก็พยายามอยหันมาศึกษาพระธรรมนี่อีกครั้งหนึงอาตมาก็ไปตอนนั้นป่วยหนักก็บอกพักมันมีกุฏิว่างอยู่กุฏิหนึ่งที่วัดโพธิทันทีมีมีพระเขรู้จักท่านท่า น, ท, านท่านก็บอกว่าเนี่ท่านมาพักอยู่ตรงนี้แหละพันีก็ยองก็ให้พักอยู่ที่นั่นทัดีไม่มีคนอยู่ไอ้กุฏิหลังนี้มันจะติดอยู่อะที่ที่เขาเรียนธรรมะกันวันอาทิตย์ที่เขาเรียกมูลิตีวัดโพธิ แค่วันเสาร์วอาทิตย์ก็จะมีฝ่ายมาเรียนธรรมะกันหนึ่งอันมานอนก็ฟังแต่นี้กออ็พอลูกได้ไปเสร็จอฐาจะม า, าก็ไปนัง่งเรียนบ่อยๆอยากไปตองก็ไปนั่งฟังก็ฟังก็ไป น, นี่มันจะมีสองกลุ่มใช่ไหมคือกลุ่มที่เป็นญาติโยมมาฟังพราทำไนงะทีนี้พอช่วงบ่ายเนี่ยญาติโยมก็จะเริ่มเดินลงนิพาพานพระโยมพระเนนมากัเป็นร้อยเสยพระเนรมาเรียนทังโลกอาจจะมาดูมัน มันมีความรู้สึกแล้วเขาอายแทนใช่ไหมตัวเราก็าอายอ่ะว่าโอ้ใจแล้วพระคุณเจ้าวิ่งหาทั้งโลกแต่โยมวิ่งหาพระธรรมเลยกนะันในเงี้ยก็มีความรู้สึกก็เริ่มเริ่มเห็นมุ ม, นะ ม, มรรออตรงนี้มาโอ้กลับไปก็เริ่มเริ่มอยู่เนี่ยตรงเนี้ยปัญหาก็คืออะไรมันเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าเราดูอย่างที่มหาวิทยาลัยนารันธาทําไมถึงผังนแล้วจุดหนึ่งนะถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เราจะเห็นชัดเลยว่าจุดหนึ่งก็คือว่าเนี่ยเอาทางโลกเข้าไป ตอนเนี้อย่างมหาวิทยาลัยของสงฆ์ทุกวันนี้ก็เริ่มเลยทั้งปรัชญาเข้าไปบ้างประวัติศาสตร์เอ่ยทั้งาศาสนาอื่นต่างๆเหล่าี่เข้าไปใช่ไหมวิชาการทางโลกเข้าไปนั่นเสร็จเข้าไป่เๆๆนี่ยเอาเลยแต่เนี่ยแม้ลองมาไปศึกษาดูประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยนารันทานเนี่ยแม้แต่วิชาโหราศาสตร์ของพราม์หรือเกี่ยวกัเรื่องดังเรียนหมดเลยเรียนกันหมดแล้วก็ลองคิดดูเดี๋ยเป็นหล่ง มี่การที่ว่าเรียนกันๆๆจริงจริงจริงจังเลยวันนั้นเลแต่เรียนวิชาการกันยิ่งใหญ่ตัวพระก็กลัวไม่ทันโยมแล้วทุกวันเขากลัวปีโยมก็เบื่อโยมบางคนก็เบื่อแสนเบื่อวิชาการทั้งโลกใช่ไหมแต่พระก็กลัวไม่โยไม่ทำก็ไปเรียนกันใหญ่เนคือเรียนไปเรียนมามันไม่ใช่ว่าแค่เรียนอย่างเดียวมีพระตอนนี้มันลุกลามเข้าไปที่ปฏิบัติ น, นะพวกกันในที่ปฏิบัติเนี่ยอาตมาเอ้าทําไมมาเรียนทั้งโลกผรไม่ได้เราต้องรู้ทันทั้งโลกเพ้าว่า อาสอนปฏิบัติสอนกรรมฐ า, านไม่ใช่หรือเขาบอกเอาต้องรู้บ้างรู้ว mm hmm. ่าพระมาก็เลยบอกว่ามีคุณนะจิตที่เสพแต่ละบรรทัดแต่ละประโยคยทางโลกคุณวางจิตยังไงได้เก่งหนาหนังสือก็เป็นปึ้งๆขนาดนีะใช่ไหมมันวางจิตยากมากนั้นจิตที่เรากําลังจะเสพคุณ เ, เช่นว่าเกี่ยวกับวิชาการเกี่ยวในเรื่องของอะเกี่ยวในเรื่องของบัญชีองเงี้ยใช่ไหม แล้วเกี่ยวกับในเรื่องของเศรษฐศาสตร์อย่างเงี้ยเกี่ยวนในเรื่องของธุรกิจอย่างเงี้ยใช่ไห ม, อ, ไ ม, ม, นะมอะไรสงครับเ น, น, นี่ยเนี่ยในกรณีที่จิตเราถามไปวางจิตยังไงใช่ไหมในขณะที่ไปเสพเสพกูเนี้ยก็ขนาดเราอ่านพระธรรมเนี่ยใจยังอยากโยแวบไปหาทางการประคุณอยู่แล้วใช่ไม่ใช่อาจมาก็เลยบอกไว้านี่เป็นอันตรายอย่าไปเรียนเลย เดี๋ยวไปเรียนเลยไม่ใช่เราเป็นนั่นหรอกนั้นจิตให้น้องก็หาคําสอนเถอะใครจะบอกว่าเราโง่ก็ไม่เป็นไรหรอกอเครับขอให้เราฉลาดให้มาทำของพระพุทธเจ้าเหรอใช่ไหมจะไม่รู้ก็ไม่รู้วิชาอื่นก็ไม่เป็นไรหรอกวิชาเหล่านี้ไม่ต้องไปเรียนมากเราเรียนมากันเยอะแล้วในภาษาเราวนะ่าใช่ไหมใช่เขาเลบอกท่านไปอย่างนี้แล่เงเป็นอย่างเนี้ย ฉันตรงนี้ก็ให้มองอย่างนี้กันแล้วกันว่ามันยุค2000กว่าปีนี่โยนสรุปเข้าเข้าหาคําสอนไม่ได้ว่ามันเป็นไปอย่างที่คําสอนของพระเจ้าว่ามันมันมันดิ่งลงคือมันไม่มีที่มันจะฟื้นขึ้นได้อย่างพูกภาพเ น, นี่ยมันก็จะค่อยดิ่งลงในสุดจริงก็จะมอดแต่เราก็ต้องไม่ประมาดใช่ไหมไม่ประมาดโดยการก็อย่างนี้อย่างที่กุญโยดิมนางโมทนาตรงเนี้น่นางโมทนาที่ว่าออใช่ไหม ถ้าถามว่าทาไมทำไม่ได้เนี่ยแบบนี้ก็คือจริงๆก็ทำไม่ได้เพราะความสามารถไม่ถึงก็ออกมาไม่ถึงจะได้กว่านี้ในในพูดยังดีก็ก็ดีก็ช่วยๆก่นนี้ แล้วก็ู่กับเขาคือการที่ร <hi> พูดทาทารมาท้งงใช่มต้าโดยการ่ายหรือโดยการฟังคำสื่อทาเพื่อให้คนเน่เเาทเพื่อะไปเพื่อให้คนต้องการที่เพ่เพื่อจะได้ช่วยช่วยสมมาจะเออเห็นด้วยเด้วยามน่าการัเป็นยังไงชอบแล้วก็ระไกับเสื่อ ผู้แสดงธรรม้แสดงธรรมอย่างไรนะคะแล้วก็ผูปผู้เปลี่ยนแลการแสดงธรรมให้เกิออตงกันอ่ต่างตลอดม้การสื่สารทเิดแกเนื่องจาเมืองทยเนี่ยอย่างได้ยิเล็ดั้อมาจส่อมวลก็จะมีเุการดสองแมือยที่ซึ่งอย่างนี้ก็เลยมีการซื้ออะไรต่างที่ออกมามากมายก็ไม่สามารถที่จะ ที่ที่ได้ก็จะเอาตามความที่สัมผันเชื่อมโยงกันโยมก็เลยคิดว่าแกจะ้เสรอนนเรื่องการอย่างไรคือทำแบบฝังอย่างไรคือต้องพูดอรทำอย่างไรสอนอย่างไรคือคือคือมันมีอย่างนี้แล้วพอพอพอพูดถึงในตอนนี้นะมาบอกว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเขาก็มีการอบรม ก็วันนี้มนพระเนี่ยไปอบรมอบรมเสร็จเขาก็จะมีวิชาการเทศอกใช่ไหม <S <S ทุกวันนี้มันจะมีวัดหนึ่งเป็นวัดใหญ่ในกรุงเทพเนี้สอนวิชาการเทศอกโดยทั่วไแล้วก็ใช่ไหมแล้วสอนวิชาการเทศอกเนี่ยนะวิชาการบรรยายนธรรมเลยนะแล้วก็ทาคณะสงฆ์แทบจะทั่วประเทศเนี่ยให้ความยอมรับเพราะอิงต่อหมาหอะไรเขาสง่งเอาอะสิเีนี้เข้าใจใช่ไหม <S <S นั่นเนี่ย มันมันไปอิอย่างนี้แล้วแต่นี้มันก็จะมีหลักวิชาการของเขาออกมาเลยวิชาการเทพศนาเขียนผู้๊บเลยใช่ไหมแล้วก็ยังมีบอกแหมอะไรก็ไม่รู้กว่าจะขึ้นไปนี่เนอะมีการท่องเป็นกรพระูเไปตามลําดับแล้วในการเทพใ น, นที่นั้นน่ยเขาจะมีระบบระบบการที่บัณคนจะแส ด, แดงยังไงเบ็ดเสร็จนี่ทั้งทางโลกทางธรรมอะไรเขาใส่ข้อมูลเลยเทียบหมนก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาบอก น, นี่มลท่าไปชมอาราก็เอาเขาเขาให้เรามาไปไประชุมแทนอีนกอาามปล่อระเดล้าสอง อัเราก็ไป น, น่าไปชมนี่เขามีการจับฉลากไอ้จับฉลากว่าเออจะต้องมีเอาพระเป็นตัวแทนขึ้นมามาเทศแล้วเขาวางรูปแบบไว้นะแล้วก็จะมีการให้คะแนนใช่ไหมให้คะแนนว่าใครใครจะสอบผ่านไม่รู้เป็นเวนต ร, รมอะไรไม่รู้ไปจับถูกอาตมา <c oughs> ยุ่งเลยแต่เนี้ยพขเทลก็เต็มหมดพระตั้งหกร้อยงค์อาตมาก็รีบเขียนหนังสือไปบอกว่าขอถอนตัว คนละแนวหนึ่งเพราะอารมาไม่เคยไปบรรยายแบบนั้นเลยอย่างนั้นแล้วจะให้ธรรมาบรรยายอย่างนั้นหนึ่งการขึ้นไปนั่งธรรมะยังไงไปที่ไหนจับตาลปัดยังไงใช่ไหมขึ้นนับโมยังไงตั้งท่ายังไงแล้วจับเอ๋ใบลานยังไงใช่ไหมแล้วก็จังหวะจะโครนยังไงขึ้นแล้วก็ขึ้นบาลียังไงแล้วก็ไล่ตามลําดับยังไง ไปมาเขาเลยเขียนหนังสือเลยบอกว่าอขอขอท่านตัวไปไปมาเขาก็ไม่ว่าอะไรพอเสร็จเขาก็ลองให้ให้องค์อื่นมันมันีอยู่สามองค์ก็เขาว่าว่าพ อ, อไปองค์ที่สามเขาบอกว่าเอพระที่ท่านเขียนหนังสือมาขอสอนตัวเขาไปชมกันแล้วตกลงเขาไม่อนุญาตเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเดมาเอาแลยย้งงานก็ <c oughs> ก็ต้องขึ้นไปขึ้นไปก็าโอ้โหตายแล้วในชีวิตไม่เคยเลยที่มมามาเล่นอะไรไหะมาฝึกเนี่ยอาลามาผ่านการฝึกเทศมาแล้วเนี้ขึ้นไปฝึกเทศมาแล้วเอาอะไรทีนี้ก็ขาพอขึ้นไปก็กอ่านดูก็าอย่นี้พระเถระซึ่งเคยเป็นครูบาอาจารย์เราก็นั่งรับ มือ อ, นะ <c oughs> อัดนะมืออัดเจออ่ะแล้ว ก, ก็ตั้งพุทธภาสิทธ์ให้ด้วยเอ๊ะตั้งเรื่องอะไรตั้งเรื่องปุญญายาปาลโลกาสิมิสติถาวรีภานิจัติแล้งตั้ ง, ง, งพอขึ้นไปอาตมาก็เอ๊ะว่าไปตามก็อยู่อาตมาก็ บบก็ว่าเพราะว่าเวทีเสร็จอะไรมานก็อันนี้แม่ไหนทำก็ อ, นนอธิบายไปเลยก็อธิบายไปบอว่าผมขอใครพระเถระหนึ่งผมมีความประสงค์จไม่บรรยาผมเขียนหนังสือไปกราบเรียนแล้วบอกว่าไม่ไม่พอไม่เป็นถงนงั้นเมื่อเมื่อขึ้นมาอย่างนี้แล้วผมผมขอแสดงทัศนคติดีขอเอาแล้วแต่ เอามาก็บอกว่าการการบรรยายในยุคปัจจุบันเป็นบรรยายธรรมแบบการแต่งกระทู้คือยกพุทธภาษิตขึ้นมาพบแล้วก็มาอธิบายทีนี้คําอธิบายนั้นไปใช้ประฏิภานโ ล, ลหารของผู้บรรยายของผู้เสด็จทีนี้พอใช้ขึ้นมาเป็ดเสร็จบางครั้งก็ตรงพราะพุทธคด บ, บ้างบางครั้งก็ไม่ตรงบ้าง ไอ้ที่ตรงก็ดีไปไที่ไม่ตรงก็ก็น่าเสียดายที่ประกาศแล้วที่ไม่ชอบแบบการบรรยายแบบนี้เลยทั้งหมดและการกระทําในลักษณะ น, น, นี้มันผิดจนถูกหมดแล้วนั่งเยียบเป็นหมดเลยบอกมันผิดจนถูกหมดแล้วยกตัวอย่างมันเหมือนคำคำเนี่ยพรหมาจะโลกาทิพติสหมปติกัดอัญเชลีใช่ไหม มันแปลได้ไม่กัดอัญชลีมันแปลไม่ได้กัดเนี่แปลไม่ได้ไม่รู้จะแปลยังไงใช่ไหมได้แปลยังไงมีไม่ฉายากัดสาโรมมัม้ <c oughs> มีแต่กะตะสาโรนะมีอย่างเนี้ยมันก็เป็นผิดเชินกายเป็นถูกน่แล้วมันมีอีกเยอะไอ้เรื่องผิดแล้วตายเป็นถูกอันนี้ก็เหมือนกันก็คือกรณีนี้แหละถึ ง, ถ, งถึงไม่ไม่ไม่แสดงทางแบบนี้ ถ้าจะแสดงก็ขออ่านแระวไปวีดดกแล้วก็จะเดินไปอันนี้ก็ขอใครด้วยครับเรื่องคะแนนเนี่ยผมไม่เอาลอกไม่รู้จะไปทำไมแต่ก็อธิบายบ้างเขาว่าไปสี่ห้าข้อรต่แต่แต่ดีนะทั้งที่พูดจับทางวัดในใหญ่มางเพงก็บอกเออเป็นทัศนะที่โคตรน่าคิดเขาบอกอย่างที่ท่านให้ก่อคิดอย่างนี้ อันนี้เป็นหลายสิบปีแล้วเพไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรเลยได้จะหน้าคิดแค่แต่จะพูดไปเยอะนะจะไปมองหน้าคิดว่าเออก็คือเราไปใช้ระบบ ก, การแต่งกระทู้จริงเขียนกระทู้ขึ้นมาปุ๊บ ก, ก็มาแต่งกันแลาอยู่แต่งตามความว่าใจรักหากระทู้มารับอีกระทู้นึงเนี่เอาพุทธภาษิตมารับอีกเ็ดเสร็จก็มาสรุปแล้วก็จบแล้วก็อ่านต้องขึ้นต้นเป็นพุทธภาษิตอธิบายเป็นพุทธภาษิตนิดเดียวหนึ่งในความเห็นตัวเองแล้วว่าพุทธภาษิตมารับรอง แล้วก็อธิบายความเห็นด้วยเองแล้วก็สรุปโดยพุทธบาลด้วยก็เลยมีการยังไงทำที่ก่อนก็จลี่ใช่ใชก็เพราะว่ารูปแบบมันเป็นมาอย่างนี้มาตั้งแต่มีการสอบนักธรรมตีโทอกีกแล้วก็อธิบายตามนักธรรมตีโทอกีกเหมอนเป็นวิชาแต่งกระทู้ที่เขาเทศกันเถอะเทศตามวิชาการแต่งกระทู้เขา เ, เรียงความแก่กระทู้ทำเป็นวิชาเรียงความอย่มันก็เลยเป็นแบบนี้นะี่ อันนี้ก็เลยก็เลยเป็นอยย่างีเที่ไอ้มาเขติงแต่แต่แต่แต่ก็มามาเถื่อนละก็ติงไงปรมาณบอกท่านพูดไม่ถู่ใที่ประชุมในก่อนแสดงท่านนัแล้เดี๋ยวไอ้มาเขาบอกว่ามันมันคิดอย่างนี้มานานแล้วก็ขอใัรก็บอกค้อใครก็กราบค้อใครแต่ว่าคิดอย่างนี้ก็แต่ก็พูดให้เบาๆนะไม่ไดพูดไปติงลงออมเดนเหมือนก็เลยเลยเทศไม่เป็นก็บอกเขาอย่างนงี้ยก็เลยผมอีกก็เลยเทศไป ตอนยังไม่ได้เรียนทำอะไรเลยกันถุิบอ่าันก็ไม่ได้ข้นสืในลัษณะเขาก็คบคองเลย้วก็เป็นแบบที่องค์กรอืออยาน่วจะมีในองค์กรที่เป็นเกิดอึ้นแบบน่าสนใจแบนี้เพ่อเขาควบคองได้เลยนะคอกคนทอ่มสิด้วรับว่า ให้รักษาน้ำใจของผู้ใหญ่ที่เอามาสดุพวกนี้เข้ามาโยกยืดตอบว่านัา้นแต่ลคนไม่คพ้อยพูยไดไ้ชื่อหรือไมว่าถ้าเอาข้อทจจริง น, นี้นีไปพูดกับผู้ที่นาเข้ามาโดยไ่รูเนี่ยท่นจะออาหคนเราเริมเดินไปแล้วท่านรักษาคูมาอาจารย์ในปัจจุบันแทนที่รักษ า, นนกษาคนือคือตรง น, รงนี้ตรงนี้หาคนที่จะคิดในลักษณะอย่างนี้น้อยยิ่งดู อันนี้มนะันเป็นอย่างนี้เลย่อกลัิดทักเสกดูาที่ผิรรมาขนาคือนีน่แหละบางทีเป็นอย่างนี้ให้สังเกต ด, ดูควาว่าประชาธิปไตยมันมันเผือ่อจนไม่รู้จะเผื่ออย่างไกลายเป็นว่าแสดงทัศนะอะไรก็ได้ไม่ได้เรื่องศาสนาแต่ซึ่งผิดกับศาสนาอื่นเขาถ้าผิดคนเ้านี่เขาเล่นตายเลย<ม>ใช่ไหมว่างเหล่านี้มันแท้ที่จริงมันเป็นพราชาพุทธของเรานี่ยนะที่ไม่แข็งแรงันเรื่องด ถ้าเราเข้มแข็งกันซะจริงๆแบบ น, นี้ไม่นจะไม่มีเย่างน้อมานี่ไปปล่อยกันมานานปล่อยปล่อยถ้าจนนะปล่อยจะจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาทั้งๆที่มันไม่ธรรมดามันก็กัดกร่อนมาตลอดเวลาแล้วก็เอออแปลกนะเมื่อเมื่อคําสอนที่มันออกมาหลากหลายอย่างนี้การปฏิบัติก็จะไปตามนั้นเพราะทุกคนบางคนเนี่ยไม่เรีย น, นเอาหนังสือมาอ่านฉบับหนึ่งเข้าปากปฏิบัติกันก็เยอะแยะหมดพราไปดูในายามมีอยู่เล่มเดียวที่ที่ทหลักปฏิบัติของท่านนะ มีในเล่นนม น, นั่นแหละของหลวงปู่องค์นี้เสมอเลยนะก็มีอยู่อกนั่นแ่ะท่านใส่น้าน่าน่าน่าสงสารท่านเหมืนีัยท่านเจตนาดีไหมท่านอยากจะปฏิบัติอยากจะหลุดพ้นเน่ะแต่ท่านจะต้องได้แบบแบบเนี้ยแล้วเยอะหมดแบบเนี้ยมีอยู่ครา้งหนึ่ง น, นนะอัมาตอนนั้นเน่ะพอเรียนเสร็จอันมาก็จะเข้าไปอยู่แถวอแถวป่งน้ําร้อนแถวอะไรต่างๆกันไหมนะพอเรียนเสร็จพอหยุดเรียนก็ไปหรือจุดสอนแล้วก็จะไปก็อย่างเงี้ยก็ไปเจอพ่ายเรื่องนี่ก็เป็นลักษณะเนี้ย ก็ไปดูออหลักปฏิบัติของท่านก็มีเล่มเล็กๆของครูบาอาจารย์อยู่เล่มทออ่นานบอกบอกโอ้โหนี่สายตรงว่าไหมอาจะมานี่ยไม่เข้าแล้วท่านยึดข้างล่าาอย่างอื่นผิดหมดว่า น, นี่ถูกอย่างเดียวเ น, นี่ยก็ไม่ต้องคุยแล้วใช่ไอย่าอื่นมันผิดหมดจะแล้วมันถูกอย่างเดียวแล้วกานบวชมาสามปีเองนะแล้วเอาจริงเอาจังนักเพ่งพัดมากที่น่าคารุณาไม่แบบนี้คารนาท่านก็คารุณาเราเราเพรารุนาท่านก็หมดทุยไปๆมาก็เลยไปกัน อสรุปเนาะนสรุปก็ตรงนี้ก็เออดีได้ก็ที่พวกเราก็เมื่อเห็นความหลากหลายของของการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็ก็มั่นใจในการเร น, นีที่ว่าเออเป็นบุญยราพของเราแล้วเนาะที่เราได้เดินตามพระไตรปิฎกเดินตามพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าแล้วเราจะได้ไม่ไม่งอนแน่นไม่คลอนแคลนใช่ไหมต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปพิจารณาถึงแม้ในสมัยครั้งพุทธกาลมีมากไม่มากมมากว่านี้เยอะใช่ไหม แต่ท่านเหล่านั้นเนท่านมีบุญนึงนั้นเพราะคนมีบุญเนี่ยเวลาไปฟังสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยท่านจะตั้งข้อสังเกตไว้ในใจและในขณะเดียวกันท่านก็ต้องพยายามหาว่าอะไรเนอเป็นแก่นแท้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงเนี้ยคือคนมีบุญมาเกิดแล้วก็หวังว่าอย่างนั้นนะถ้าคนมีบุญมาเกิดเยอะๆพุทธศาสนาไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนบุญน้อยมาเกิดเยอะๆก็พากันเข้ารกเข้าพงกันเนี่ยเยก็ต้องยอมรับอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่า คนที่มาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระเจ้าแล้วมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยอันนั้นถือว่าเป็นบุญเก่าของท่านอย่างรุนแรงเลยนะแสดงว่าทยาศาสตยของท่านสั่งสมมาดีมากบางท่านเนี่ยเกิดมาเพื่อจะปกป้องพระาศาสนาจริงๆนะทั้งทางการปฏิบัติทั้งการประกาศตนเองและทำทำการประกาศหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าแล้วก็ดูแบบอย่างอริยะประเดีของภาษาวลกทั้งหลายที่ท่านพยายามรักษาพระาศาสนา โยมให้ลองดูสมัยรังกาตอนที่เขาเกิดสงครามเกิดเลยยุกก่อนนู่หน้านั้นนะที่เขารักษาศ า, ษาสนาตอนนั้นยังไม่ได้จ้าลึกนะเกิดลบลาข้าปันกันเนี่ยพระก็หนีเข้าไปอยู่ตามป่าหาใบไม้กินกันแล้วบางทีก็ต้องใช้ชายถมกายมันร้อนนะ่ะแล้วในขณะเดียวกันท่านก่อนหน้าเกาอยู่ใกล้ๆ ก, กันในภูกายแล้วก็สาธยายสูตรกันสาธยายเพราะเพราะไอ้คอมพิวเตอร์ของท่านก็คือความจําใช่ไหมท่านพยายามรักษากันเขาไว้แบบนี้นะ ถ้าท่านตายไม่ได้ท่านคิดอย่างเงี้ยถ้าตายก็เป็นวิสาสนาหมดท่านพยายามสืบรักษากันอย่างนั้นบางทีหิวจะตายก็ต้องเอาอะไรมาปกโปกท้องเอาไว้ก่อนนะแล้วก็ทวนทวนสูตรกันบางทีนี่จุบสบงจีวรนแท้จะไม่มีเหลือแล้วก็หาอะไรปิดอะไรหุ้มอะไเงี้ยเขารักษากันมาทั้งแสนจะยากแสนยากนะถ้าตรีวิศกเนี่ยฉะนั้นว่าเรามานึกถึงอุปการะคุณของพระเทพราทั้งหลายนี่นะี่ยที่ท่านพยายามรักษาก ในยศของท่านท่านเอารอดเนะี่ยท่านเอารอดจริงๆเนะียแล้วท่านบางทีอยถ้าท่านกลุ่มที่มีพิญญาทั้งหลายท่านก็ใช้พิญญามองใครที่จะพอช่วยพระาศาสนาท่านก็ไปขอร้องออกมาแล้วก็ออกมาเพ่อจะมาช่วยพระาศาสนาในการที่จะทำโน้มทำลุงในการที่จะดูแลเลงด่งบางยุศบางสมัยพระราชามหากษัตริย์กลายเป็นพราหม์อุ้ยท่านต้องหลบไหยหลบคมดาบคมหอกคมปืนอะไรก็แล้วแต่ต้องรักษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคิดดูว่าท่านถึงบอกว่า ในยุคก่อนเนี่ยเขาไม่เชื่อตำราเลยเพื่อนเขาไม่เชื่อการจารึกเพราะเขาเชื่อการทรงจํา <c oughs> เขาเชื่อระบบมุขปาถันเพราะว่าตําราเนี่ยเวลาเขียนเพี้ยนไปใช่ัหมแล้วก็เขียนต่อต่อต่อเข้าไปมันก็จะมีโอกาสเพียเยเพ้ยนเยอะเพี้ยนเยอะเขาเขายังเชื่อระบบปากต่อปากระบบมุขมุขปาถันแล้วเขาก็จะต่อกันมาทำระดับแต่พอมายุคหลังก็มาจารึกลงลงในใบลานนี่เราก็ถือว่าเออ ยุคของท่านผ่านพ้นมาแล้วแม้แต่ในสมัยยุคอยุทยายุคอะไรต่งตางๆนั้นเองใช่ไหมก็เกือบจะหมดไปทีแล้วเข้าในข้อเ ข, า, เขามีคําสอนออกมาทีนี้มายกเราเลยถึงเป็นภาระก็คือว่าเออเราจะได้อีกใช่หมหนึ่งในขณะเดียวกันรักษาภาษาศาสนาสอมในขณะเดียวกันแล้วเราก็ได้เจริญกุศลเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาขัดเกลารู้ไหมขัดเกลาตัวเราเองนั้นเองให้เข้าให้เจริญวอก ง, งาม น, นพรก็ทําคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็นปัจจัยเกความพ้นทุกข์และอย่างหนึ่งที่เรารักษาไว้ก็เพื่อสืกทอให้อนุชนด้วยก็อนุตนาก็บางรายกที่ตั้งใจในการที่จะกระทํางานีิศึกษาก็ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปท่านใจสาะยายก็ทำี้าาวาาม ชาจราน a สัมพันโนสุขตัวโลกาวิจุอตโรุริสั ปัณโนภคะวะโตสาวกสังโฆชุปปะติปัณโนภะควโตสาวกสังโฆญาญาปะิปัณโนภะควโตสาวกสังโฆสาบีติปะิปัโน ใจยุคานิยตคาภูริสปุคะลเอสสะวโตสะวตสังโต ในมนุิการทำโยนิโสมนุิการเนี่เกิดขึ้นในกระแสจิตคิดถึงบทที่เราสาทะยายไปที่บออิทิปิโสพระกวาแม่พ่ะเหตุนั้นแม้เหตุแม่พ่อเหตุแห่งทานบารมีศีลบารมีเนฆามบารมีปัญญาบาลมีวิริยะบาลมีขันติบาลามีสัจจะบาลมีอธิษฐานบาลามีเมตตาบาลมีและอุเบกขาบาลมี แะ่พ่อเหเธอุปปา ร, ปรมีสิปรมัตถบารมีสิแล้วก็แม้เพ่อเฮเธอมาหาปริจาค้าที่พระผู้มีพระเจ้าทรงบ่มเพนมายี่สิบอสมไขยิ่งด้วยแสนกลับเริ่มได้รับพุทธพยากรติว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเสียอสมไขยยิ่งด้วยแสนกลับเมื่อพระพุทธเจ้าได้รับพุทธพยากรติแล้วพระพุทธเจ้าก็มาไขควรคบรมีสามสิทัศน์อันนี้แหละทั้งอนุโลมและก็ปฏิโลม พิจารณาพุทธกาลกับธรรมก็มาพิจารณาดูว่าการที่จะได้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมปวิยานได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ด้วยพุทธกาลกับธรรมเหล่านี้ไม่นอไปจากสิ่งเหล่านี้แม้เราท่านทั้งหลายที่ประกาศตนในการที่จะเป็นพุทธบริษัทเป็นภิกษุเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาในการที่จะเดินตามรอยบาทปศาสดาและเล็กนึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า ในนั้นในกรณีที่เราจเจริญกุศลศีลไม่ว่าจะเป็นงดเว้นจากปาราธิบาศอธินาทานการเมศสุมิมชาฌานโนสาวาทิสุนาวาจาพรุสภาจาสัำพอปพลาปับหรือว่าอภิชาวยาบาดมิชาทิตติหรือว่างดเว้นจากการดื่มสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประนมหาเป็นต้นหรือจเจริญจิตสิกขาโดยการที่ทําสมาธิขันให้เกิดขึ้นอันประเสริฐให้เกิดขึ้น ด้วยการที่ฝึกขัดขัดเกลาร์โดยการที่รู้จักประมาณในโภชนาเป็นต้นตลอดถึงเจริญสติสัมปชัญญะในฐานะเจการสํารวมอินทรีย์เจริญอุปจารลสมาธิเพื่อเป็นปัจจัยแก่อปนาสมาธิตลอดถึงการเจริญวิปัสนาหรือเปียาวิปัสสนาญาหรือว่าปัญญาขันอันประเสริฐฉะนั้นการจะทําศีลขันอันประเสริฐสมาธิขันอันประเสริฐและปัญญาขันอันประเสริฐให้เข้าสู่กระแสขันของเราท่านทั้งหลายและพน้องประพฤตปฏิบัติ เพบูชาคุณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นปัจจัยการขัดเกลาอัธยาศัยของเราท่านทั้งหลายนั้นนะในขณะที่เราระลึกหรือว่าการเจลลริญกุศลลาษีกุศลสมาธิและปัญญาเป็นต้นเหล่านั้นนะ่ยก็ให้ระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าที่เรารู้จักศีลขันธ์อันเบสริสมาธิขันธ์อันเบสรปัญญาขันธ์อันเบสริฐก็ได้จากพระธรม ร, รมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระมาหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้านั้นมีพระมหากรุณาธิคุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณมีพระปัญญาคุณในอันที่จะประกาศพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าวพระพุทธองค์ทรงควนขวายน้อยแล้วต่อมาพรมก็มาราธนาบอกว่าขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงแสดงธรรมเถอดถ้าพระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมแล้วโลกจะวิบัติหรือโลกจะทิพยายเป็นต้นเลยนะได้การที่อาศัยอัตยาศัยที่พระบรมศาสดานั้นทรงเมตตาทรงกรุณาเราท่านทั้งหลายได้ประกาศพระธรรม คือประกาศวินัยยปิฎก 21,000 พระธรรมคันประกาศพระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมคันประกาศพระวิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมคันรวมเป็น 84,000 พระธรรมขันฉะนั้นพระธรรมขันต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าปรินิพานพระพเจ้าบอกอย่าดูก่อ น, นะนอานนท์ทำและ ว, วินัยที่ถถาคตแสดงแล้วบรรัญญัติแล้วเปิดเผยแล้วทำและ ว, วินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอหลังการล่วงไปเองเรา พระพุทธเจ้าปริทิพานเป็นหนึ่งองค์แต่มีพระพุทธเจ้าปฏิสถานอยู่แปดหมืสี่พันองค์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทนั้นน่ะจงเข้าหาพระพุทธเจ้าทั้งแปดหมื่นสี่พันองค์นี้ให้ได้แล้วก็พยายามว่าหนึ่งการที่จะเป็นพุทธบริษัทที่ดีนั้นต้องมองหน้าพระพุทธเจ้าให้ออกว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระประสงค์อะไรในเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์อะไรใช่ไหมพระพุทธเจ้ามีความปรารบอะไร ปายลบอไรปรารถนาให้เรานั้นกระทำอะไรก็คือปรารถนาให้เรานั้นเจริญอะไทเจริญบารมีทําทั้งหลายมีทานบา ร, รมีเป็นต้นนะตามเยี่ยงอย่างพระอริยะทั้งหลายตามเยี่ยงอย่างพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ท่านทําเออพระพุทธเจ้ามันเป็นบา ร, รมีมาเสียสงขายิย่งด้วยแสนขับพระปะเจก็พุทธเจ้าสองาสงขยิย่งด้วยแสนขับ พระสารีบุตรพระโมคคารนะหนึ่งสงไขพระมหาสาวกอติอสีติมหาสาวกก็แสนกลับเป็นต้นนอกนั้นก็เป็นหมื่นบ้างเป็นพันบ้างเป็นต้นเราท่านทั้งหลายก็ต้องเดินเดินตามรอยของท่านเหลนะ่านั้นในการที่จะเครียกว่าเดินตามรอยบาทของพระศาสดานะในการที่จะน้อมบูชาคุณให้ทำตามนิสบูชานั้นให้เป็นปกตจุบันิสยาปจัยแก่ปฏิบัติบูบชาแล้วก็ยังเป็นปัจจัยแก่การที่จ ะ, จะเจริญในศีลสมาธิปัญญาเป็นต้น ก็จะเรียนเป็นปัจจัยเก่การพ้นทุกข์ที่เราได้ตั้งขึ้นเอาไว้ฉะนั้นอัธยาศัยที่เราท่านทั้งหลายได้ตั้งใจแล้วมุ่งมั่นนะั้นก็ขอให้ความมุ่งมั่นและความตั้งใจนั้นจงอย่าจงอย่าหลบออกจากแนวทางนี้นะจงมุ่งมั่นในการที่จะดําเนินทางต่อไปจนกว่าจะอะไรจนกว่าถ้าปัจจุบันนี้ก็จนกว่าจะมีชีวิตเป็นที่สุดรอบใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าตั้งอัธยาศัยนู่นแหละจนกว่าจะแทงอริยสัจธรรมทั้งสเป็นที่สุดรอบนั่นะ จะแทงตลอดอริยสัจจะทำทั้ง4ี่เป็นที่สุดรอบอะไรลว่าจบคิดแล้วถึงเวลานั้นแล้วก็หมดขิดในการที่จะในการกําหนดรอบรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนี้โลดที่แจ้งแล้วก็อบโลกได้มากฉะนั้นก็ขอให้ความตั้งใจและความขาดธนาดีทั้งร้อยทั้งหลายเนี่ยจเป็นปัจจัยแล้วก็ขอให้สำเร็จตามความมุ่งหวังทันยินทันทุกประการนะต่อไปก็ท่านใช้ดีที่สุด สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนบัตดนี้ <c oughs> และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว <c oughs> คือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักให้และมีบุญคุณหรือจะเป็นสวใดที่เป็นที่รักให้และมี มีมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีาดาดที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือมิได้เห็นก็ดีดสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดี สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกําเนิดทั้งสี่สมีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสีน่ขัน 5.